ทีนี้ว่าการที่เรามาหลงร่างกายนี่เองเป็นสาเหตุของความอยากหรือที่บอกว่าคาว่าเราเรามาหลงตัวเองนี่เองสําคัญว่าเรามีอยู่ในร่างกายอันนี้คำว่าเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนต้องรู้ว่านี่เรานะคำว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าความหมายอันหนึ่งอยู่ในตัวเรานี่ทีนี้ว่า เราจะให้ความอยากนั้นสิ้นไปเนี่ยก็มีทางเดียวก็คือเราต้องรู้แจ้งตัวเราเาฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องทำไปทุกที่หมายถึงว่าอคณะใดาพิจารณาไปถึงไหนเราก็ทำกรรมฐานไปตามาการพิจารณาของเราตรงนั้นทีแรกเราทำสมาธิมาแต่ว่าสมาธิของเราเนี่ย ทำแล้วแก้ปัญหาไม่ตกก็เลยเลยมาพิจารณาตรงนี้หลังจากที่เราพิจารณาได้ตรงนี้เราก็ต้องย้ายให้จิตของเรามาพิถามตรงนี้คือย้ายให้การกระทําไปเรื่อยๆไม่ใช่เยอะย่าทําอยู่ที่เดิมบนไปวนมาอยู่ที่เดิมไม่ได้คือความเห็นเปลี่ยนไปก็ต้องทําเปลี่ยนไปเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการเดินทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทําอยู่ที่เดียว เมื่อเราพิจารณาว่าตัวเราเนี่ยเรายินดีในตัวเราแล้วเรายึดมั่นโดยตัวเราอยู่เราจะต้องทําลายความยินดีในตัวเราให้ได้ก็เบรศหน้าที่ว่าต่อ น, นี้ไปเราจะต้องเอาจิตเนี่ยพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าให้เราเห็นแจ้งขึ้นมาการเห็นแจ้งของเราออกมานี้เพื่อจะ ท, าทาะํ า, าทลายฉันทลาคะนั้นเสียหวังว่าการทําลายฉันทราคะนั้นได้ ตันหาก็จะเหือดแห้งเมื่อตันหาเหือดแห้งทุกอย่างก็จะจบนี่คือผังงานนี่คือทิศทางที่เราจะต้องไปแบบนี้ในเมื่อปัญญาของเรามาพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องไปแบบตามที่ปัญญามองอย่างนี้เ้าเรียกว่าการปฏิบัติของคนนั้นคืบคานไปสู่ความถูกต้องอย่างแท้จริงมาใช่ว่า20ปี30ปีก็ทาอยู่ที่เดิมนั่นแหละ อย่างนั้นจะสู้เขาได้อย่างไรเพราะสมาธิมันตันอยู่แล้วนี่ทาไปทามาวนอยู่ที่เดิมหมดมันไม่จบมันไม่จบเราอยากให้จบลงจบลงทีนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็เป็นที่มาของการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแต่ว่าเราไม่เห็นเลยเราไม่เคยอยู่เลยเราไม่เคยมองเลยเกิดมาธรรมชาติไม่ได้สอนให้เราเลย เพราะว่าเกิดมาเนี่ยเรามีตามีหูจมูกเล่นกายใจติดมาด้วยเราก็เลยใช้หูใช้ตาแหลกลานเลยธรรมชาติไม่ได้สอนให้เลยว่าให้เรามาเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ธรรมชาติไม่ได้บอกเลยตั้งแต่เด็กเราเราก็ไม่รู้จักคํานี้เลยเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้สอนแต่ธรรมชาติสอนให้เราเนี่ยใช้หูใช้ตาด้วยฉัญชาตญาณของมันเอง ใครจะสอนก็ตามไม่สอนก็ตามธรรมชาติก็สอนไว้แล้วพร้อมเสร็จเพราะมีหูตามาให้ใช้แล้วเราก็ใช้อย่างแหลกหลานก็เลยมีปัญหาม า, ามาแค่นี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าทางใดที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราทำเราอย่าทำทางใดธรรมชาติสร้างมาให้ใช้เราอย่าใช้สิ่งไหนธรรมชาติให้มาเราต้องเบื่อหน่ายซะ เป็นอันว่าทุกอย่างกลับด้านหมดเลยมีตัวเขามีตัวเรา เ, เราเกิดมาเรามีตัวห้อยมาเราเบื่อตัวเองซะมีตาให้ใช้งานเลิกใช้ซะมีอารมณ์ให้คิดเลิกคิดซะทุกอย่างกลับด้านหมดเลยแล้วเราจะแก้ความอยากนี้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วไม่มีทาง เท่ากับว่าการกระทำของเราเนี่ยให้ทำตรงข้ามกับธรรมชาติที่เป็นไปธรรมชาติที่เป็นไปเนี่ยเขามีอย่างนี้เราต้องทำตรงข้ามหมดเลยไม่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปตามอำนาจของธรรมชาติที่เคยไปไม่ให้ไปเราถึงจะพ้นจากโลกนี้ได้ด้วยอุบายอันนี้ วิธีทำก็คือว่าตอนนี้ไปเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่ต้องใช้หูตามีหูตางดเลยไม่ให้จิตนั้นออกไปแล้วเอาสติคุมไว้เลยทั้งหกประตูนี้เหมือนนายถารแล้วก็ดักจิตว่าถ้าเองมาข้าจะดักเจ้าวไว้เองจะเล็ดลอดตรงนี้ไม่ได้เหมือนเก่าก่อนแล้วนะ ตอนนี้ไปข้าจะคุมประตูทั้งหกไว้เขาเรียกว่าอินรีสังวรสังวรอินรีก็คือเราจะต้องปิดประตูทั้งหกนี้แล้วก็ให้ยามหรือเฝ้าเลยโดยใช้สตินี่เนะี่ยเป็นยามเฝ้ามาให้จิตนี้เล็ดรอดเพื่อจะเอาจิตเนี่ยไปที่อื่นไม่ให้ไปทางเส้นเดิ ม, ดมที่เขาไปเพราะนั่นคือโลกอย่างที่บอกว่าเราจะรู้จักโลกได้ยังไง ก็รู้จักที่ว่าเราเคยทํามาอย่างไรล่าถ้าการกระทํานั้นๆของเราที่ทํามานั่นแหละทําอยู่นั่นจงรู้ถือว่านั่นคือโลกแล้วก็เราจะชนะโลกอย่างไม่ใช่หรือเราจะให้จิตของเราเนี่ยพ้นจากโลกไม่ใช่หรือแล้วเราจะไปทไําไหมเราเมื่อเราอยากจะพ้นโลกเราอยากจะชนะโลก แล้วเราจะปล่อยใจของเราไปสู่โลกอย่างเดิมนั้นจะพ้นได้อย่างไรเราอยากจะพพ้นเขาแต่ยังคบคาสมาคมกับเขาอยู่เป็นไปได้ไหมว่าเราจะพ้นเขาได้อย่างไรชักสะพานออกเสียสิอย่าทอดสะพานไปหาฉะนั้นปึงจะเป็นที่มาของการอินทรีสังวรไงเราต้องควบคุมเลยว่าทางที่เจ้าไปเราจะไม่ให้ไปแล้ว ตาหูให้เลิกใช้ทำอย่างนั้นเลยนะไม่งั้นไม่งั้นเราจะไม่เข้าสู่ระบบของการประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นก็เท่ากับว่าไม่ปล่อยจิตออกไปอิตนะเ่านั้นแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาร่างกายของเราแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปสมาธิที่เราเข้านั้นเพราะเข้าไปแล้วก็อยู่แค่นั้นเองก็เข้ามา หลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรจะดีกว่านั้นถ้ามัวแต่เข้าเราจะเดินทางได้อย่างไรมันก็ไปติดแม่อยู่ตรงนั้นก็หมดเลยทุกอย่างก็เป็นอันว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราจำให้ดีนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราถึงหัวและเทา้าให้จิตอยู่ตรงนี้แต่พระเอิญว่าตัวเรามองไม่เห็นนึกไม่ออก ทำยังไงดีเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครเสี้ยมสอนว่าให้มาทำอย่างนี้นอกจากพู้เจ้าสอนฉะนั้นคำสอนพู้เจ้าจึงเป็นคำสอนที่ตรงข้ามกับโลกเลยทีเดียวเป็นคำสอนที่สวนกระแสกับโลกเราจึงว่าตามธรรมชาติมานานตามโลกมานานตอนนี้ตามพู้เจ้าบ้าง หวังว่าจะหลุดพ้นได้เพราะต้องตามท่านเพราะเราหลงโลกเนี่ยเราก็ต้องตามท่านไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็ชักสะพานเสียไม่ไปโลกนั้นเมื่อเป็นดัง น, นี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็เลยต้องหกอกอบรมไป ย, ย้อนสอนย้อนกระแสก็คือพิจารณาร่างกายนี้แต่ว่าการพิจารณาของเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยร่างกายนี้ทํำยังไงดีเพราะว่าเราโม่แต่ใส่ใจไปข้างนอก จึงไม่เห็นความจริงอันนี้เมื่อเป็นด น, น, นั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการหาตัวอย่างม า, าหาตัวอย่างมาตัวอย่างที่เราได้มานี่มาจากไหนมาจากที่เราเคยผ่านพบในโลกนี้แล้วก็จามาเขาเรียกว่าสัญญาเช่นว่าเห็นคนตาย ก็นึกถึงความตายนั้นคนตายนั้นมามาสมมุติตัวเองให้เป็นคนคนตายนั้น <c oughs> เขาเรียกว่ามรณ ะ, ะสัญญาอาสุภะสัญญาอ่าแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าอา่อาอนนีจสัญญามรณ ะ, ะสัญญาอนัตตสัญญาเห็นตัวเองเหมือนเล่าหาตัวอย่างเห็นคนตายไหมเห็นเขาชำระอ่าร่างมนุษย์ไม่ว่าตัวเราทั้งหม ด, ดประกอบด้วยอะไรให้ชำละตัวเองอยู่เสมอ ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆอาการสาบสองว่าเรามีอะไรเป็นอะไรให้การอบรมของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นตลอดไม่เห็นให้หาตัวอย่างมาให้เห็นโดยนึกถึงตัวเองเนี่ยด้วยการที่สิ่งที่เราจดจํามาเขาเรียกว่าสัญญาอสุภาษสัญญาสัญญาสิบประการนะสัญญาแนี้มีสิบข้อ เช่นว่ามรณสัญญานึกถึงความตายอสุภะสัญญาอาอนิจจสัญญานึกถึงความไม่เที่ยงอนตาตตสัญญานึกถึงความไม่มีตัวตนทุกขสัญญานึกเป็นว่าเป็นของมีทุกข์สพภะโลเก อ, อนัพิระตะสัญญาโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงอาทีนวาวะสัญญานึกถึงความเป็นโทษอย่างนี้เป็นต้น หลายอย่างนะสัญญาปฏิกูลนสัญญาอาหาเปรปฏิกูลนสัญญาอันนี้เหล่านี้แหละเขาเรียกว่าพิจารณาถึงความสกปรกเป็นความไม่เที่ยงนั่นเองในตัวเราก็พิจารณาด้วยอุบายต่างๆเพื่อจะปูทางสู่การเห็นแจ้งตัวเราให้ได้ให้เกิดให้มีให้เห็นให้แจ้งในตัวเหล่านี้ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เห็นตัวเองอยู่เสมอเสมอเสมอเสมอ ที่แรกก็มองไม่เห็นนะนานเข้าไปนานเข้าไปด้วยอุบายใดยอุบายหนึ่งที่เราปาราลบอยู่เสมอแล้วก็ข้อสำคัญคือเราต้องคุมระบบให้อยู่ให้อยู่ในระบบให้ได้ก็คือว่าระบบยังไงหนึ่งเราจะไม่ปล่อยจิตออกนอกๆเลยถ้ารู้ว่าออกดึงมาเสวยเร็วสองเราจะดึงมาแล้วเราจะต้องลุกหน้าต่อไปคือการเห็นตัวเองให้ชัดขึ้นตามลาดับ นอกก็กันไว้ไม่ให้รั่วในก็จะสร้างให้เห็นนอกรั่วก็ไม่ให้ไปถึงรั่วนิดรั่วหน่อยก็กันไว้ในที่ไม่เห็นก็ยังให้เห็นให้เกิดให้มีให้แจง้งให้ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆการวิวัฒนาการของจิตเราก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเชื่อไหมว่าตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยอบรมอยู่ในตัวเราบ่อยๆเนี่ย การเห็นตัวเองก็จะมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายมากขึ้นไปมากขึ้นไปทีแรกเนี่ยจิตเราเนี่ยมองตัวเองไม่ออกหรอกแต่การกระทาเราซ้ำซากบ่อยๆเนืองๆก็เลยมีความชำนิชำนาญขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเองไปทีละน้อยละน้อยละน้อย จิตเราก็จะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นที่แรกมื ด, ม, ดมืดไปหมดเลยมองอะไรมืดไปหมดมองไม่เห็นต่อมาจิตเราฟูมฟักอยู่ตรงนั้นบ่อยๆจิตของเราก็จะสว่างขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดละนิดเราจะเห็นความอัศจรรย์ว่าเออจิตเราสว่างได้เนาะเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนอเขาเรียกว่าเห็นที่แรกอาจจะเป็นเหมือนสิ่งแสงหิ่งห้อยนะ ต่อมาก็จะเป็นดวงดาวต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนต่อไปก็เหมือนดวงตะวันเต็มหน้าเต็มตาหมดเลยเราก็เฉยไม่ต้องสนใจเรื่องแสงสว่างเหล่านั้นความสว่างเหล่านี้ก็จะไล่ความมืดออกไปเราก็จะเห็นตัวเองชัดข้นไปชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกภายในตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นไปทั่วไปทั่ว ใจของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยเมื่อจิตสว่างขึ้นมากมากปรากฏว่าความสว่างนั้นกืนตัวเราหมดเลยเท่ากับว่าตัวเราเนี่ยเป็นแสงสว่างแทนเลยในแรกนีแสงสว่างมันลอยอยู่ข้างนอกนะมาต่อมามันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเอง เหมือนกับว่าความสว่างนั้นก็จะกลืนตัวเองไปแสงสว่างเนีใกล้เข้ามาเหมือนดวงดวงไฟดวงเดงือนดวงตะวันเนี่ยใกล้เข้ามาตัวน้อก็ติดหน้าผากนั่นเลยเมื่อติดหน้าผากก็ทั้งมันเถอะปล่อยอย่างนั้นเน่ยเราก็พิจารณาไปเรื่อยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปแสงนั้นก็ครอบตัวเรากลายว่าตัวเราเนี่ยถูกแสงสว่างกลืนเหมือนกับว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยออกแสงเองเป็นเหมือนดวงแสงเอง เราจะเห็นว่าแสงออกทั้งตัวเลยหัวถึงเท้าแล้วก็ปรากฏตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันและแสงตรงนี้จะไม่ดับไม่หายตลอดชีวิตเลยทีเดียวตลอดทุกเวลานาทีนั่นคือความสว่างเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงอันนี้จะไม่มีมาก่อนนะจะมีตอนที่ว่าเราอบรมไปนั่นเองอันนี้ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ชี้แจงขนาดนี้นะ แต่เวลาเราอบรมอย่างจริงเนี่ยมีจริงๆนะเพราะว่าหลายย่อยอย่างเนี้ท่านไม่ไม่ได้บุกไว้หรอกท่านนบอกให้เห็นก็ให้เห็นนั่นแหละแต่ว่าเราจะเห็นด้วยวิธีใดแล้วก็เป็นความอัศจรรย์นะว่าเออมันมีได้นะเมื่อบุคคลนั้นทําได้อย่างนี้เนี่ยก็กําลังใจก็เกิดขึ้นเมื่อกําลังใจเกิดขึ้นก็มุมานะพยายามแต่เกียกตระกายตัวเองว่าเราทํามานี่ ช่างอัศจรรย์ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นขึ้นมาความศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อในคําสอนพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นอย่างมากมายว่าเราทําไปมีผลเปลี่ยนแปลงไปเราคิดดูเถิดว่าใจของเรานี่ปล่อยไปตามกระแสโลกมานานไม่เคยดัดนิสยัยไม่เคยฝึกอย่างนี้เลยใจของเรานี่ปล่อยไปเหมือนสัตว์ป่าที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเลย จะคิดอะไรก็ตามใจตามใจชอบตอนนี้ไม่ตามแล้วเราจะตามพูดเจ้าอย่างเดียวเพราะเราเห็นภัยอันใหญ่ว่าใจของเราเนี่ยท่านไม่รับการฝึกแล้วเนี่ยเราจะเป็นใจที่ดีไม่ได้เลยอันนี้แหละถึงได้บอกว่าเราจำเป็นจะต้องเอาพระธรรมคำสอนพูดเจ้าเนี่ยเข้าไปฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองเนี่ยให้ให้ดีขึ้นคว า, ามเลวร้ายต่างๆเนี่ย ของติดใจของคณเราเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยนะแก้ไขไม่ได้เลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการฝึกผลของเราก็เห็นความอัศจรรย์มาตามลาดับลาดับอย่างที่บอกว่าสว่างขึ้นสว่างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์กลายเป็นว่าตัวของเราเนี่ยแสงสว่างออกหมดเลยแล้วก็แสงสว่างอันนี้จะมีทั้งกลางคืนกลางวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นตลอดชีวิต จะไม่มีการดักซึ่งเจ้าตัวนั้นจะเห็นดีแต่คนอื่นจะไม่เห็นแต่คนตัวเองก็ย่อมเห็นเพราะว่าตัวเองย่อมรู้ของตัวเองเราเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีปรากฏว่ามีขึ้นได้เกิดขึ้นได้ช่างอัศจรรย์เหลือเกินนี่แหละเขาเรียกว่ามาคำสอนพระเจ้าจึงเป็นความสอนที่พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จริงๆก็ทําให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในท่านนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเกิดมาเหมือนกับว่าเมื่อคนนั้นทำย่อย่างนี้นะดีใจมากนะน้ำตานี้จะคอลูกตาตลอดทั้งวันเลยนะเวลาทำกรรมฐานเนี่ยทำความเพียรเนี่ยทั้งวันนี่น้ำตานี่มันคอลูกตาเสมอทำไมเป็นอย่างนั้นมันดีใจสังเวชตัวเองว่าไม่มีอะไรแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอคำสอนเจอความลึกลับซับซ้อนในชีวิตว่าเราโชคดีที่มายืนตาแหน่งนี้ หลายคนในโลกเนี่หลงกันมากมายเราคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่แนวหน้าเหมือนกับว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่สูงส่งคนมีสติปัญญาบารมีเท่านั้นแหละที่จะมายืนจุดนี้ได้ภูมิใจว่าเราคนหนึ่งที่ยืนอยู่จุดนี้เหมือนกับว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาได้ทําอย่างนี้นั่นเองความปิติอันนั้นก็จะล้นเหลือหัวใจของเราเนี่ยให้น้ําตาขอลูก อันนี้นักปฏิบัติทุกคนเจอแบบนี้หมดเลยเราจะเห็นได้ว่าการทำอย่างนี้ทําให้เราอัศจรรย์ใจว่าอืมมันมีได้น้ําตาที่พังภูออกมานี้จะเป็นน้ําตาอันบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ําตาไปใช้อย่างอื่นเป็นน้ําตาที่โสโคร ก, กแต่น้ําตาที่เรารู้เห็นอย่างนี้เป็นน้ําตาอันสะอาดล้องไห้ด้วยตัวเองอ น, นี่นักปฏิบัติจะเจอนะแล้วก็ความเพียรที่ทําไปเนี่ยมีรสชาติมาก ไม่ใช่ความเพียรที่กลอยสังกตายไปวันวันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความเพียรที่มีรสชาติทำให้คนทำไม่อยากจะเลิกลายิ่งทำก็เหมือนกับว่ายิ่งมีความสุขมากอันนี้สัมผัสคือความเพียรต้องทำตลอดวันตลอดคืนนะความเพียร น, นี้ต้องทำตลอดวันตลอดคืนทั้งคืนทั้งวันทั้งวั น, ท, วนทั้งคืนหลับตื่นยืนเดินตั้งนอนทำหมดเลย เพราะเราจะปิดรอยรั่วของจิตเราทั้งหมดเราหวังความพ้นทุกข์จริงๆก็ได้จริงๆไม่ใช่ว่าความกระทานี้จะเกินความสามารถของเราไม่ใช่อย่างนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะรอยรั่วมีไม่ได้ถ้ามีรอยรั่วเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจิตใจของเราก็รั่วนั่นแหละถึงได้มีปัญหาทุกวันนี้เราจะต้องเอายิงจัง ก, กับเหตุแล้วก็ระบบที่เราอบรมต้องลัดกลุ่ม เขาเรียก ว, ว่ารัดกลุ่มเลยว่าไมา่ให้ล่วเลยกะว่าไมา่ให้ล่วเลยจิตเนะี่ยต้องทำอย่างนั้นต้องล่วไม่ได้อะล่วก็ตั้งใหม่ล่วก็ตั้งใหม่ลหมแล้วก็กะว่าในอนาคตห้ามเลยจะไม่ให้รอยล่วนี้มีอีกเลยคนนั้นจะชนะได้แต่เมื่อถึงทมเมื่อทาถึงตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจนะว่างานนี้เนี่ยมีแววที่เราจะสำเร็จ มองถึงความชัยชนะได้ว่าเราต้องชนะได้แน่นอนด้วยคุณทางอันนี้เพราะดูรูปการแล้วเนี่ยเป็นไปได้ทีเดียวว่าเราสามารถชนะสงครามอันนี้ได้กำลังใจก็เกิดการฮึกเห่มเหมือนกับขุนศึกที่ได้กำลังใจเพราะว่ารบสงครามนี้เหมือนกับว่าตัวเองเป็นต่ออยู่เสมอทำให้การรบนี้เหมือนกับว่าวีแววของการชัยชนะเนี่ยทให้เรา ได้เห็นความจริงขึ้นมา ว, ว่าวี่แววของชัยชนะเกิดขึ้นแน่นอนแกเราในภายภาคหน้านนกําลังใจนั้นก็ทำให้มีความฮึกเหิมที่จะมุ่งมั่นต่อการชัยชนะนั้นกําลังใจก็จะล้นเหลืออันนี้แหลนะนักปฏิบัติทมความเพียรเนี่ยเวลาทำนะเวลาทาจริงๆแล้วเนี่ยไม่เบื่อเลยไม่ใช่ว่าไม่เบื่อหนายตัวเองไม่ใช่นะ ไม่เบื่อต่อการทําทําแล้วอยากจะทําทําแล้วอยากจะทําไม่อยากหยุดไม่อยากหยุดทั้งวันทั้งคืนนี่ทําแบบไม่หยุดเลยนะคือกําลังใจมันมีเนะี่ยทําให้เราไม่ใช่ว่าความเพียรต้องทําทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคงจะลําบากแน่เลยแล้วก็คงจะขี้เกียจแน่แน่เลยไม่ใช่อย่างนั้นทําแล้วมันมีรสชาตินะ่ะรสชา ต, ติตรงไหนเวลาจิตของเราอยู่ในตัวเราเนะี่ย อยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยปิติมันจะเกิดเมื่อปิติเกิดปาโมดก็จะเกิดเมื่อปาโมดเกิดจิต ก, ก็ตั้งมัน่นจิตก็เขาเรียกว่าปัสถธนก็เกิดความสงบกายสงบใจนั่นเองปัสสถานแปลว่าความสงบกายสงบใจกายก็สงบใจก็สงบ ความตั้งมั่นของใจนี้ก็จะเมื่อกายสงบใจสงบความตั้งมั่นของจิตก็เกิดสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิกเกิดเขาเรียกว่าความสุขก็ตามมาความสุขตามมาทำสองอย่างคือฮิริโอตปะก็เกิดณที่นั้นฮิริความละอายโอตปะความสะดุ้งกลัว เมื่อเกิดในที่นั้นแล้วเนี่ยทำสองอย่างนี้ก็จะซักฟอกตัวเองให้เห็นของที่สกรปรกในตัวเราก็คือศีลเราไม่สะอาดวาจากายวาจ า, าที่ไม่สะอาดก็สะอาดขึ้นมาสัมมาอาชีวะสัมมากรรมมันโตสัมมาวาจาก็จะสะอาดขึ้นมาจะซักฟอกเห็นก็เรียกว่าเห็นสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็จะพยายามละอายต่อสิ่งนั้น เกงกลัวต่อสิ่งนั้นละบาปบำเพ็ญผู้สนขึ้นมาใจจะอ่อนโยนเหมือนเหล็กที่ถูกเผาด้วยไฟสามารถจะตีเป็นอะไรก็ได้ใจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอบรมอยู่ในตัวเราพิจารณากายคตตาสติยู่เสมอเนี่ยใจของเราจะอ่อนโยนอย่างที่บอกว่าทําไปแล้วเนี่ยน้ำตามันจะคอลูกตาอยู่เสมอเสมอ ทำไปแล้วเนี่ยปิติมันเกิดน้ำตาจะขอนั่นคือจิตใจที่อ่อนโยนอ่อนโยนต่อการงานไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนแอนะไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนคือการจิตที่เราสังเกตไหมว่าจิตจะรับความดีเข้าไปเนี่ยต้องอ่อนอท้องที่ดีเนี่ยจะต้องไม่แข็งต้องอ่อนควรแต่จะการขึ้นรูปตีรูปตีให้ขึ้นรูปอย่างไรก็ได้เหล็กก็เหมือนกัน ถ้าจะตีรูปอะไรเนี่ยต้องอ่อนถ้าแข็งนะตีไม่ลงฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าไม่อ่อนแล้วเนี่ยจะรับความดีเข้าไปไม่ได้เลยมันแข็งกล้าวเหมือนเราตีเหล็กดิบๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้จิตของเราเนี่ยเวลาทำเนี่ยน้าตาเราจะไหลปุ๊บเนี่ยการไหลของน้ำตาของเราจิตมันอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนพร้อมที่จะรับความดีเข้าไป เหมือนผ้าที่ซักสะอาดพร้อมที่จะรับสีที่ย้อมนั่นแหละเข้าไปผ้าสกรปรกมันก็ย้อมไม่ได้ที่มันไม่ติดหรอกเพราะผ้านั้นสกรปรกเราต้องซักให้สะอาดความซักนั่นแหละคือการขัดเกา่าแล้วพร้อมที่จะรับน้ำย้อมเข้าไปอย่างอย่างดีอันนี้แหละเขาเรียกว่าจิต ค, ควรแก่การงานคิดควรแก่การอบรมฉะนั้นคนเราจะดีได้ก็ มีการอบรมอย่างนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหมดเลยเชื่อไหมชีวิตของเราที่อะไรละล ะ, ละยากๆจะละได้หมดเลยค่อยๆละไปค่อยๆละอันนี้ก็จะเลิกอันนี้ก็จะละแล้วก็มั่นในความดีเหล่านั้นเห็นว่าความดีเป็นความดีความชั่วเป็นความชั่วที่ตัวเองต้องกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่กลัวเลยนะชั่วก็ไม่กลัวใจมันหยาบช้ามากอันนี้แหละเขาเขาเรียกว่า ตนของตนได้ฝึกตนมามาตามลําดับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปทางที่ทางถูกทางที่ดีได้นี่เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยทำตามที่ทำทั้งหลายก็จะเกิดแก่เราว่ า, าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเห็นตัวเองเป็นซากผีดิบแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละทั้งกลางคืนกลางวันจิตก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นไม่อยากจะหยุดนะ ทำวันต่อวันทาคืนต่อคืนคืนทะลุวันวันทะลุคืนเหมือนก็ว่ากลางคืนกลางวันนี่เป็นเนื้อเดียวกันอ่าหลับก็ทำตื่นก็ทำยืนเดินนั่งนอนทำเหมือนก็ว่าชีวิตเนี่ยอ่าที่มีอยู่เนี่ยกลัวจะไม่ทันอ่ากลัวจะไม่ทันว่าเราอยากจะพ้นทุกข์แต่ชีวิตอยู่เนี่ยมันน้อยนิดละเกินสักวันหนึ่งเราตายไปคงไม่ทันแน่ อันนี้เขาเรียกว่ากลัวจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ น, นั้นอนไหนคนเวลาทำความเพียรจริงนะไม่อยากหยุดเพราะกลัวจะตายซะก่อนเขาเรียกว่าเวลาที่เหลืออยู่มันน้อยนิดเปินไปอันนี้นักปฏิบัติเขาเรียกว่าไม่ประมาทนะทาอย่างนี้ไม่ประมาทไอ้ความเขาเรียกว่าความภายในเนี่ยจะบังคับมาคับตัวเราเองนะไม่มีใครบังคับเราหรอกเราบังคับตัวเราเองด้วยเหตุและผล งเวลาทำสมาธิทําความเพียรเนี่ยมีรสชาติมากนะจิตใจมันจะอ่อนโยนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวขึ้นมากขึ้นมากขนปรากฏว่าตัวเราเนี่ออกแสงสว่างทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็มีแสงสว่างไปหมดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งยืนเดินนั่งนอนจิตเราตั้งมั่นมากเลยสมาธิเราทั้งแท่งเลยตัวเราทั้งหมดจะเป็นสมาธิหมดเลย เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการเห็นตัวก็จะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสระบานร่างกายทั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาโยนิโสมนัสีการการใส่อุใจในอุบายต่างๆว่าเอาอุบายนั้นมาพิจารณาเอาอุบายนี้มาพิจารณาก็ทําอยู่เนืองนิดการอบรมนั้นจ้องต้องมีระบบคือสมัประทานสี่ สมัปประธานสีเขาเรียกว่าความเพียรที่มีระบบะพูดถึงระบบเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าถ้าพูดถึงความเพียรต้องไปดูที่สมัปประธานสี่พูดถึงความเพียรต้องไปดูที่สมัปประธานสี่พูดถึงศรัทธาต้องไปดูพระโสดาบันพิสูจน์ทั้งหลายาไม่ใช่ศรัทธา พูดถึงศีล น, นะพูดถึงศีลเนี่ยพูดถึงศีลเนี่ยท่านกล่าวว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าจะดูที่ศีลต้องดูที่ไหนโสตาปฏิยังฆะดูศีลของพระโสดาบันนั่นแหละคือศีลที่พทที่ยิ่งยวดฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยศีลของพระโสดาบันนี้ศีลเอาชีวิตแรกเลยนะพระโสดาบันเนี่ยเห็นชีวิตน้อยกว่าศีลฉะนั้น ถ้าสวดาบันนี้จะบริสุทธิ์เรื่องศีลมากที่สุดถ้าพุทธท่านท่านกล่าวว่าพิสูจน์ทั้งหลายการที่จะดูว่าศีลดีหรือไม่ต้องดูที่โสตาปฏิยังคะหมถึงศีลของพระสาวดาบันถ้าจะดูวิริยะคือความเพียรต้องดูที่สมัมปทานศีถ้าจะดูสติว่าสติจะอย่างไรจะถูก ต้องดูสติปัฏฐานสถ้าจะดูสมาธิอันไหนคือสมาธิคือฌานสี่ถ้าจะดูเขาเรียกว่ า, าถ้าเราเราจะดูสมาธิเนี่ยให้ดูจะฌ า, า, านสีนะ่นั่นแหละคือสมาธิถ้าจะดูปัญญาว่าปัญญาที่สูงสุดก็คือดูที่อริยสัจสี ว่าด้วยปัญญาอเยสสสีว่าด้วยสมาธิฌานที่สีว่าด้วยความเพียรส ม, มปรทานสี่ว่าด้วยสติคือสติปทานส4่สี่สหมดเลยว่าด้วยศีลก็คือโสตาปติยังคะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยศีลก็จะดีขึ้นมากขึ้นมาเมื่อการซักพอกของจิตเนี่ยเห็นฮิริกานฮิริฮิริโอตปะเกิด ก็จะสักพอกศีลศีล น, นั้นก็จะกลายเป็นศีลของโสตาปฏิยังคะได้การพิจารณาตัวเข้าไปพิจารณาตัวเข้าไปเนี่ยเมื่อพิจารณาไปเนี่ยเขาเรียกว่าการพิจารณานี้ความเพียรที่ป่าลบนั้นจะต้องเป็นความเพียรที่ชอบก็คือความเพียรในส ม, มัชพระทานสีอย่างที่กล่าวแล้วส ม, มัชพระทานสีเป็นอย่างไรส ม, มัระานสีก็คือ หนึ่งยังกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาประทานเชื่อไหมว่าเราจะตั้งจิตตรงไหนที่กุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแล้วเห็นอำนาจอะไรในกุศลเหล่านั้นอำนาจกุศลเหล่านั้นก็คือกุศลเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความไยบู์เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เป็นฝักฝ่ายแห่งความที่จะยังตนให้อยู่ในความบริสุทธิ์เป็นฝักใยแห่งความปลอดโปร่งเป็นฝักใยแห่งความไม่มีโทษฉะนั้นกุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยอะด้วยอย่างไรการตั้งจิตไว้ในตัวเราตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้านั่นเองทําให้การตั้งจิตไว้ในอาการสาสองของเราเนี่ยกุศลลธรรมที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ฉะนั้นเพียนสร้างเพียนบำเพ็ญความเห็นตัวเองเนี่ยให้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นให้ชัดขึ้นให้เป็นพ่อผูให้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพอกปูนไว้ให้บริบูรณ์พิญโยพาดพินโยพาสความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นเนืองๆอยู่เสมออันนี้แหละเขาเรียกว่าการทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ระบบความเพียนที่ถูกต้อง นั้นความเพียรที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยเราจะต้องมีการอบรมอย่างมีระบบก็คือสัมมาประธานเสเท่ากับว่าจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยเราสังเกตไ้มว่าจิตจะมีกุศลทัน ท, ทีเลยจิตจิตขณะใดจิตที่ตั้งอยู่ในอาการสามสิบสองของเราสมมุติว่าคนนั้นเอาจิตไว้ในตัวเรานะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยกุศ ล, ลธรรมจะเกิดแล้วอกุศลจะดับทันทีเลย ความคิดไม่ดีทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยจะไม่สามารถงอกงามในที่นั้นได้แล้วจิตที่ไฝ่กุศลจะงอกงามขึ้นมาแทนนี่เราสังเกตได้เลยว่าอ๋อจิตเราในตั้งไว้ในตัวเราเนี่ยกุศลธรรมที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแล้วก็อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปนี่คือความนี่คือธรรมเป็นฝ่ายที่ทำให้กุศลธรรมที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันการเห็นตัวที่เราเห็นขึ้นมาเมื่ อ, อยังถึงไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะการตั้งไว้ตรงนั้นทําให้กุศลแธรรมเกิดขึ้น 2. เมื่อการตั้งจิตไว้ในตัวเราเนี่ยกุศลแธรรมเกิดขึ้นแต่ทํายังไงเราจะรักษากุศลไว้ให้นานนานให้ไม่เลอะเรือนให้ภัยบุญอยู่ให้พินโยพาดอยู่ ก็คือการตั้งไว้รักษาไว้เขาเรียกว่าอนุรักษ์ขับประทานและขณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยหลุดลอดเล็ดลอดไปสู่อารมณ์ภายนอกอยู่ขณะเดียวกันจิตเราตั้งอยู่ในดูตัวเราดีๆเนี่ยเผลอแป๊บเดียวจิตเราหลุดออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเราสังเกตไหมจิตขนาดที่เรหลุดออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยจิตเกิดอาุศสทันทีเลย เราจะเห็นว่าการตั้งของจิตตรงนั้นน่ะอกุศลธรรมนี่เกิดทันทีเลยเมื่อจิตเกิดอกุศลขึ้นมาทันทีเรารู้ได้ว่าอ๋อนี่เลยที่อยู่ของอกุศลธรรมเรานั้นเมื่อบุคคลนั้นเห็นว่าจิตเราตั้งอยู่ภายนอกเป็นที่มาของอกุศลธรรมทั้งหลายก็ละเสียด่วนเร็วเขาเรียกว่าปหานประฐานเราสังเกต สังเกตได้ชัดเจนว่าถ้าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยจิตเราจะมีกุศลจิตฝ่ายดีจะเกิดขึ้นทันทีเลยเขาเรียกว่าเมื่อจิตอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยปิติย่อมเกิดปิติเกิดปามโมุ่งก็เกิดเมื่อปาโมุ่งเกิดปัสสถธิก็เกิดความสงบกายสงบใจความปามโมุ่งก็คือความบันเทิงนั่นเองและเมื่อความสงบกายสงบใจเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปัจสถาน จิตก็ตั้งมั่นก็กลายเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นความสุขก็เกิดมาความสุขเกิดมาององค์กรหรือองค์ระบบเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานี้เป็นฝ่ายกุศลเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ถ้าเรารักษาจิตที่เป็นอย่างนี้อ ย, นอยู่ตลอดเวลาเท่ากับรักษากุศลแล้วอันนี้ก็คือว่าทุกคนที่เกิดขึ้นดังนี้เนี่ยกุศลธรรมจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เราจะเห็นฝ่ายกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็พอกูณกุศลธรรมนั้นให้เหนืองนิดให้บริบูรณ์ให้พินโยพาดอยู่ให้ถึงความบริบูรณ์ในที่สุดได้ด้วยวิธีนี้เพราะว่ากุศลธรรมเหล่า น, นี้ควรที่จะทําให้เกิดให้มีเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยต่อมรุผลนิพานแน่นอนเพราะกุศลเหล่านี้เป็นสิ่งอุปถัมภ์ค้ําชูนิพานให้เป็นไป เราจะเห็นไม่ไหวในโอวาทปฏิโมกขท่านกล่าวว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชําระจิตให้ขาวลอบไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะชําระจิตให้ขาวสะอาดอย่างเดียวต้องทําลายอาุศลธรรมด้วยต้องมีระบบสมัมมาปารานีและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเรานี่คิดไปข้างนอกเราค่าเสียทาลายเสียเขาเรียกว่าปหานประฐาน แล้วก็ระวังไว้ว่าจิตเราจะล่วไหลต่อไปอีกให้ระวังไว้อย่าให้ไปอย่างเดิมเขาเรียกว่าสังบอนะระปฐานก็คืออินทรีย์สำรวมหรือสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนันไว้ต้องมีระบบอย่างนี้เข้ามาจัดการหมดเลยดังนั้นความเพียรของเราเนี่ยจะต้องเป็นความเพียรที่มีระบบอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นความเพียรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล สามารถที่จะทําองค์กรหรือผ่าองค์กรนี้ไปสู่ความาเขาเรียกว่าชัยชนะได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความเพียรชอบก็คือสมรประทานสีนั่นเองที่บอกว่าว่าด้วยความเพียรชอบเนี่ยความเพียรเนี่ยต้องดูที่สมรประทานสีแล้วสติทั้งหมดที่เราพิจารณาดูในตัวเราใช้สติควบคุมทั้งหมด ก็กลายเป็นสติปฐานสี่ก็คือพิจารณากายในกายพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามองตัวเราด้วยความให้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาว่าตัวเรามีรูปพันธสันฐานอย่างไรก็เรียกว่าพิจารณากายภายนอกกายภายในกายในกายว่าโดยสติก็คือสติปทานสี่ว่าด้วยความเพียรก็สามบาูรณ์านสี่ว่าด้วย สมาธิก็จะเป็นฌานสี่อีกหน่อยฌานสี่เราก็จะเกิดนะอันนี้เรา ย, ยังยังยังไม่เกิดตรงนี้เดี๋ยวตางหน้าจะเกิดว่าปัญญาคือรู้แจ้งอริยสัจสี 4. ก็คืออริยสัจสีนั่นเองจะเป็นตัววัดของปัญญาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย การรู้แจ้งแทงตลอดนิยสัตว์ก็จะเกิดขึ้นว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุก์ในการดับทุกขข้อปฏิบัตินำไปสู่การดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อเราเห็นตัวอีกตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าพินโยภากร์ก็คือมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยญาณทัศน์ญาณทัศนะก็คือความเห็นความรู้ ญาณทัศน์นี้จะเกิดขึ้นคือการรู้เห็นตัวเองตามเป็นจริงความรู้เห็นด้วยทางจิตนี่แหละเขาเรียกว่าญาณทัศน์ญาณทัศน์นี้ญาณเป็นรู้แปลว่ารู้ทัศน์แปลว่าเห็นความรู้เห็นอันนี้ก็จะก่อเกิดให้มีขึ้นมาเราก็จะเห็นตามจริงว่าอ๋อนี่รูปนี่เวทนานี่สัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดการเห็นแจ้งระดับหนึ่งขึ้นมา ความเห็นอันนั้นจะเป็นสักขีพยานให้เราเห็นตามจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าขันห้านี้เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่เป็นของยืมเข้ามาเป็นของที่หาจีหลังยั่งยืนไม่ได้ก็ค้นหาว่าขันห้านี้ตัวเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็คือรูปนี้ ว่าเรามีอะไรอยู่ในรูปนี้เราก็ค้นหาความจริงในที่นั้นว่าคำว่าเราเน่บ้านของเราลูกของเราสามีภรรดาของเราชื่อของเราคำว่าเราในที่นี้นะมันอยู่ตรงไหนของชีวิตอันนี้เราเรียกตัวเองเสมอว่าเราเราคาว่าเรียกตัวเองเนี่ยคำว่าเราเนี่ยจะสมมติบรญญัติไว้ตรงไหนล่ะปรากฏว่าเราดูทัวท่วทีดูตั้งแต่ตั้งศีรษะถึงปลายเท้า เราไม่สามารถจะบัญญัติว่าเราอยู่ตรงไหนของร่างอันนี้เลยจิตก็เลยอองออขึ้นมาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความเข้าใจของเรานี่ผิดมากเราเข้าใจว่าตัวเรานี้มีเราอยู่แต่เมื่อค้นไปแล้วหาคําว่าเราไม่เจอในที่นี้เมื่อเราค้นหาความว่าเราไม่เจอในที่นี้จิตก็เลยพลิก ความรู้สึกหรือพลิกความเข้าใจของเราว่าโอ้เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเรามีอยู่เป็นอยู่คําว่าเหล่านี้เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้แต่บัดนี้เราเห็นแจ้งระดับหนึ่งแล้วว่าคําว่าเราไม่มีเลยในที่นี้เราไม่มีในร่างนี้ร่างนี้ไม่มีเราแต่การที่เราเข้าใจว่าเหานั้นเป็นการเข้าใจผิดของเราเองมาแตแต่ต้น เพราะความไม่รู้ไม่เห็นของเรานั้นต่างหากอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าความรู้ความเห็นอันนี้ทําให้เรานี้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเรามีอยู่แล้วก็คําว่าเราเนี่มีอยู่ในร่างกายนี้จึงเป็นสาเหตุของทําให้เราจิตของเรานี้มีความอยากขึ้นมา เมื่อมีเราก็จิตของเราก็อยากจะร่านไปเพราะอะไรเพราะมาะะวิ่งไปเพราะไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเล อ, อของตัวเราของเราให้มีความสุขแต่เราในที่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าไม่มีตัวตนเราเขาการเข้าใจว่าเรามีอยู่นั้นเป็นการเข้าใจผิดมาก จิตสามารถจะมองความผิดของตัวเองว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเรามีอยู่ในตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยสันชาติยานของตัวเองเข้าใจเองแต่บัดนี้เราไปรู้เห็นสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงว่าจริงจริงสิง่งที่จิตเข้าใจว่าเรามีอยู่เนี่ยแท้จริงมันไม่ได้มีอย่างนั้นเลยแสดงว่าจิตเราเข้าใจอย่างนี้ผิดมาตั้งแต่ต้น <c oughs> การเข้าใจของจิตนั้นจึงเป็นอวิชชาอันนี้เราจะเห็นชัดว่าอาวิชชาก็คือความเข้าใจผิดว่ า, าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเรามีอยู่ในร่างนี้ร่างนี้เป็นเราเราเป็นร่างนี้แต่เมื่อเราค้นด้วยการเห็นแจ้งเพราะการเห็นแจ้งนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะทําทำให้ตาหูเราเปิดขึ้นมาให้เห็นตามจริงว่าเราไม่มี ล่างนี้ไม่ใช่เราเราไม่ไมไม่มีในรล่างนี้แสดงว่าความเข้าใจผิดของเราเนี่ยผิดมาแต่แ ต, ต้นโดยการผิดมาเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่มาทราบตอนนี้ว่าความเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยไม่ถูกเลยว่านั่นไม่ใช่เราเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็เลยพลิกผันตัวเองว่าการเข้าใจของตัวเองที่เข้าใจนั้นผิดหมดเลยแท้จริงไม่ถูกทิ้งที่ถูกก็คือ เราไม่มีอะไรในล่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อรู้อย่างนี้วิ ช, ชาก็เกิดเมื่อวิ ช, ชาเกิดก็ไล่ความไม่รู้ของเราออกไปว่าความไม่รู้ของเราก็จะดับไปเขาเรียกว่าอาวิ ช, ชาสิ้นไปวิ ช, ชาก็เกิดขึ้นมาแทนที่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เกิดขึ้นว่าการเข้าใจของเราเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเมื่ออวิ ช, ชามีอยู่สังขารร่อมมี เมื่ออวิชชาสิ้นไปสังขารย่อมดับถ้าเกิดว่าจิตก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีในที่นี้ร่างนี้ไม่ใช่เราแล้วเราจะคิดไปทำไมก็เรียกว่าถ้าเรามีสังขารก็เกิดก็คืออวิชามีสังขารก็เกิดก็คือแสดงว่าความคิดของเราอย่างที่บอกว่าเราเข้าสมาธิจิตเรานิ่งแต่เราออกมาจากสมาธินะี่ทาไมาจิตเราวิ่งไปนิ่งแล้วก็วิ่งเนี่ย ทำไมวิ่งไปตอนนี้เราค้นหาสมุดฐานเจอแล้วว่าสาเหตุของการวิ่งไปเพราะมีความอยากและความอยากนี้มาจากอะไรมาจากการยึดมั่นว่าเรามีอยู่ในร่างนี้แต่เราเห็นแจงเห็นแจ้งตามนั้นว่าแท้จริงเราก็ไม่มีในร่างนี้ความเข้าใจอันนี้ไปแก้ความเข้าใจผิดของเราแท้จริงมันไม่ใช่ทำให้เราเห็ น, นกลไกของจิตว่า การไปขอไปเพราะความอยากไปนั้นก็ดีไปเพราะด้วยเหตุผลใดก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าผิดทั้งสิน้นเป็นการไปที่ผิดทั้งสิ้นไม่ถูกเลยทางที่ถูกนั้นก็คือว่าเราจะต้องไม่มีการไปเลยไปทุกอย่างผิดหมดเลยแค่คิดก็ผิดแล้วแสดงว่าความคิดของคุณเราที่คิดทั้งหมดผิดหมดเลย ไม่ถูกเลยแสดงว่าความอยากนั้นก็ผิดด้วยสิผิดแน่นอนเพราะไม่มีเราจะคิดทาไมอยากไปทำไมแต่เมื่อก่อนอยากเพราะความไม่เห็นไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงเพราะดวงตามืดบอดบัดนี้ดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักหุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วอาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ว อันนี้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของการเกิดขึ้นของการรู้แจ้งก็เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของการาวิ ช, ชาของวิ ช, ชานี้ก็เกิดขึ้นอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการอบรมที่ถูกต้องเขา อ, อบรมอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าทำสมาธิด้านเดียวอยู่นั่นแหละจะไปไหนได้เล่าเราต้องค้นหาสมุทฐานปัจนี้ค้นเข้ามาเจอตรงนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นความผิดพลาดของตัวเองทั้งหมดว่าการที่จิตเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่ว่าเป็นความผิดทั้งสิ้นไม่ใช่ถูกเลยแล้วก็เห็นคางออกก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอุบายออกก็คือจิตเราจะต้องไม่คิดอะไรเลยในโลกนี้วางโลกไว้ซะแล้วก็เลิกลากับโลกนี้ไม่ควรเอาอะไรมาเป็นอารมณ์เลย นั่นคือความถูกต้องแต่ขณะนั้นจิตส่วนหนึ่งก็ยอมรับแต่จิตส่วนหนึ่งก็ยังดื้ออยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่ถึงที่สุดไปแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเราก็จะเห็นส่วนที่ละได้นั้นส่วนหนึ่งส่วนที่ละไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายนี้เป็นของเรา ก็เป็นอันว่าละได้ว่ากายนี้เป็นของเราเป็นของละได้เป็นของที่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่าเพราะความรู้เห็นนั้นทําให้เราเห็นกายกายนี้ชัดระดับหนึ่งทําให้เราเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแน่นอนจึงละสะกายทติฐิ กายนี้เหลือขันห้าไม่ใช่เอาเราไม่ใช่ขันห้าความมั่นหมายว่าเรามีอยู่นั้นไม่มีเลยในที่นี้ก็เกิดการละขึ้นมาเมื่อการละนั้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าละสกกายทิฏฐิคนนี้จะกล้าไปสู่พระโสดาบันได้เราจะเห็นไหมว่าโสดาบันเนี่ยยากเหลือเกินนะความเห็นต้องเห็นมากพอที่จะรู้ว่า เราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่มีในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราต้องแจ้งถึงหัวถึงเท้าเลยนะทั้งหัวถึงเท้าไม่มีส่วนไหนที่ไม่เห็นไม่แจ้งไม่มีเลยแต่การแจ้งนั้นเนี่ะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซนตแต่เห็นถึงหัวเท้าแล้วไม่ได้เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งนะเห็นทั้งหมดหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าเห็นยังไม่เต็มร้อยแค่ประมาณหกสิบเอร์เซนตขึ้นไป นั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยยากนักที่ใครจะเป็นโสดาบันไดเพราะงั้นไม่มาตรฐานเลยไม่มาตรฐานเลยจิตกลับกอกไปหมดเลยจิตยังรั่วไหลอยู่เนี่ยไม่ใช่เลยนะโสดาบันนี่จิตไม่รั่วนะจะมีความยินดียินไา่ภายในยืดยืดยิบหน่อยๆอยเดียวเท่านั้นเองไม่มีไม่มีวิ่งออกมาเลยและเห็นตัวในหัวถึงเท้าเลยนะพร้อมกันหมดนะ มันถึงจะละก า, กษษษษาะสัตติราชกายทิฏฐิได้เพราะไม่งั้นไม่มาตรฐานเลยความเห็นนั้นต้อ ง, องเกินเกินครึ่งบางคนบอกว่าที่อื่นเขาง่ายเหลือเกินนะโสดาบันได้ง่ายๆในศีลดีๆก็ได้แล้วเนี่ยอย่างนั้นจะจะเป็นได้ยังไง อ, อ่ะเขาเรียกว่าส ก, กายญาทิฏฐินี่เองทำให้เกิดโสดาบันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ศีลอย่างเดียวอยู่ที่ส ก, กายะ ความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องมียาณทัศนะขึ้นมาญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะต้องอบรมขึ้นมาตามลําดับเหมือนที่อธิบายมา น, นี้แหละถึงจะมีขึ้นมาได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าการเห็นแจ้งรู้แจ้งจะต้องมีเหตุและปัจจัยที่ต้องเป็นไปตามลําดับไม่งั้นแล้วการเห็นแจ้งรู้แจ้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ในนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วการละสกายาทิฏฐิว่าตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นมาว่าความคิดทั้งหมดผิดหมดเลยทางที่ดีความคิดเหล่านี้ไม่ควรแก่ตนทั้งสิ้นไม่ควรจะมีอะไรในอะไระคือไม่มีอะไรเป็นอะไรที่เราจะมาต้องมาผูกพันอะไรเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการละสกายาทิฏฐินี่เองทําให้อาการ ละสินละพัตระปลามาตได้ด้วยแล้วก็ละวิจิกิจฉาได้ด้วยสินลธพัตระปรามาตกับวิจิกิจฉานีเป็นผลพลอยได้จากการละสกายติธิฉันนั้นการละสกายติธิเป็นหัวหน้าของการละที่เดียว การลาสกยาธิธิเนี่ยเป็นหัวนหน้าของการละทั้งหมดถ้าสกยาธิฐิไม่มีพิจิกิจฉาก็ละไม่ได้ศิลรพัตน์ปรามมากก็ละไม่ได้ถ้าการละสกยาิฐิมีขึ้นมาศิลรพัตน์ปรามากหรือพิจิกิจฉาก็ละได้ฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้จะฝากที่สกยาิธิเท่านั้น ความเห็นอย่างนี้แหละจึงเป็นความเห็นที่ว่าเราสามารถที่จะทำให้เกิดให้มีในตัวเราได้การละส ก, กายาทิฏฐินี่เองก็คือความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวถูกตนบุคคลเราเขาทั้งทีเพราะเครื่องรู้เห็นนี่เห็นตลอดเวลานะตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่ว่า ตอนทำนี่เห็นเลิกทำก็หายไปอย่างนั้นไม่ใช่นะความเห็นนี่ต้องเห็นตันตายเลยนะไม่มีว่างเลยไม่มีการดับเลยต้องเห็นตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงตลอดปีตลอดร้อยปีเลยทีเดียวหละความเห็นจะไม่ดับถ้าดับไม่ใช่ไม่ดับไม่ได้สิดับไม่ใช่ไม่ต้องตื่นอยู่เสมอสว่างอยู่เสมอนั่นเองเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหรอกหมายถึงว่าชีวิตประจวันทั้งหมดเนี่ย มีแต่ความสว่างความเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นคือการอบรมอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเมื่อคืนนี้เห็นแต่ว่าตอนนี้เห็นไม่ไม่เห็นแล้หายไปแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะแล้วเล้วหายไปแล้วแล้วจิตไปอยู่ไหนลน่ะก็อยู่อารมณ์ทั่วไปเหมือนเดิมโอดไม่ได้สิจะไปเกิดฉะนจิตเขาก็จะ ม, มีมาตรฐานตลอดเขาจะมีมาตรฐานของเขาตลอด อันนี้แหละเขาเรียกว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องบรรลุแบบนี้นะไม่ใช่ว่าผลอันนั้นจะหายไปแล้วแล้วก็เอาความที่หายไปมาพูดไม่ได้นะต้องมีอยู่เสมอนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการที่เราจะรู้ธรรมต้องรู้เห็นอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้นะการรู้เห็นของเราจะไม่ได้เลย อันนี้ก็คือว่าเราเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปตามนี้ถ้าไม่ไปตามนี้เนี่ยไม่ได้แล้วผลของการทำเนี่ยเขาเรียกว่ามีสมปทาน4ี่อยู่แล้วนี่จะรักษาความเป็นสภาพนั้นอยู่เสมอน ะ, อะความเป็นสภาพตรงนั้นเนี่ยจะรักษาอยู่เสมอแล้วก็แปรเปลี่ยนไม่ได้เลยฉะนั้นการที่เราจะชนะสงครามอันนี้เนี่ยผลอันนั้นต้องมีตลอดเวลานะ ไม่ใช่ว่าชนะแล้วผลก็หายไปแล้วตัวเองอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในอารมณ์เหมือนเดิมอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ฉะนั้นการที่เราจะชนะอ่อ่ า, อาเขาเรียกว่าชนะจิตชนะใจเนี่ยผลต้องมีมาตรฐานสําคัญตรงที่ว่ามาตรฐานของจิตเนี่ยทำยากมากเพราะว่าจิตของเราเนี่ยจะรักษามาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ย นักษายากสมาธิก็ทำยากการละการที่จะให้จิตเนี่ยเป็นมาตรฐานก็ทำยากเขาเรียกว่าการกระทำสมาธิเนี่ยเขาจะต้องให้จิตเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลา เขาเรียกว่าเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นรักษาผลนั้นตลอดเวลาไม่งั้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยไม่ล้วไหลไม่ล่วไหลให้ไม่เสื่อมแหละเพราะว่าโลกุตรธรรมนี่ไม่เสื่อมแน่นอนเสื่อมไม่ได้เลยเพราะว่าระบบที่คุมเนี่ยประสิทธิภาพมาก มีประสิทธิภาพมากโดยที่ว่าเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยไม่รั่วระบบระเบียบหรือสติปัญญานี้แตกฉานสามารถจะรู้การเคลื่อนไหวของจิตทุกอย่างแล้วในทางดีใ้ทางถูกในทางไม่ดีไม่ไม่ถูกเนี่ยเข้าใจหมดเลยเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยสังโยชน์สามก็ละได้ก็คือพระโสดาบัน เพราะสะนั้นพระโสดาบันจะเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมเพราะว่าการเห็นนั้นแจ้งแจ้งมากพอที่จะทำให้ยืนจัดจิตของตัวเองเนี่ยไม่ให้หลุดล่วงได้ไม่เสื่อมเลยาะนั้นไม่เสื่อมก็คือไม่รั่วนั่นเองอันเดียวกันความเสื่อมนั่นเองคือความรั่วขนาดเราทาสมาธิมาตั้งเยอะนะยังรั่วไหลแต่ว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนะี่ยไม่รั่วนะ แล้วก็โอกาสที่เราจะชนะสงครามนี้มันเหมือนกับว่าอยู่แค่มือเอื้อมมองเห็นลำไายว่าหนทางนี้ชนะแน่แล้วชนะครั้งนี้จะจบเลยปิดบัญชีเลยแล้วก็จะไม่ต้องทำอีกเลยความเพียรได้งนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยการทาความเพียรของเราก็จะยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปมั่นใจว่าปฏิปทาเขาเรียกว่า เมื่อละส ก, กายทิฏฐิได้ละส ก, กายะก็ยังรีิแปรมาแล้วว่าละความว่าไม่ใช่ตัวเราการนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ร่างกายนี้กันหน้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่กันห่าแล้วก็ละศินทรพัทธะปลามาตแปลว่าศินละศีละแปลว่าศินนะพัตธะแปลว่าพรดศีลพลดนั่นเองพลดคือตบะนะตะธรรมหรือนักพลดนักปวดนะ เขาเรียกว่าทำสองคำเนี่ยเขาเรียกว่าสินพศอสินพศอศีนพศก็หมายถึงตะบะหรือการบําเพ็ญการบําเพ็ญเพียรนั่นเองการบําเพ็ญตะบะนั่นเองสมัยก่อนก็บําเพ็ญในรูปแบบต่างๆนะเขาเรียกว่าสินพศเช่นว่าเมื่อก่อนคนคนนี้เนี่ยลองผิดสํานักโน้นบ้างลองผิดสํานักนี้บ้าง ทำโน่นทำ น, น, ทำนี่แต่ทำแล้วสงสัยหมดเลยว่าเอ๊ะทำแล้วก็ไม่ดีทำแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ถูกเล่ร่อนไปหลายสำนักแทบจะมาทั่วประเทศไทยว่างั้นเถอะแล้วก็สุดท้ายหาจุดยืนไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าศิลพัตนาปรามาสนะคือไม่แน่นอนลองผิดลองถูกไปทั่วแล้วสุดท้ายก็หาความถูกต้องไม่ได้แต่บัดนี้เมื่อบุคคลนั้นอบรมได้อย่างนี้แล้วมั่นใจว่า ทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่ใช่เลยแล้วก็มั่นใจทางนี้ว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องและจะไม่ขอเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้อีกเลยเพราะสติปัญญาในขณะนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นทางที่ดําเดินมาถูกต้องแล้วไม่ลองผิดลองถูกอีกแล้วทําทีนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าชนะแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องการที่จะหาทางอื่นอีกเลย เมื่อก่อนหาทางอยู่เลยเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวไปทางนี้หาทางโน้นหาทางนี้มาตลอดและหาจุดยืนไม่ได้สุดท้ายคว้าน้าเร็วอันนี้เขาเรียกว่าสินรพัฒตะปรามาตนะแต่ตอนนี้พระโสดาบันละได้แล้วก็คือไม่เอาที่ไหนแล้วเอาวิธีนี้เท่านั้นจะมั่นใจวิธีนี้ว่าชนะได้ไม่ปฏิบัติลองผิดลงถูกได้อีกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสินพ่าศินรัตะ สีละพัตตะคือสินพจน์นั่นเองแล้วก็วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยทำนั่นก็สงสยัยทำนี้นี่ก็สงสยัยความสงสัยนี้มีอยู่เลองนิดทําให้เราความสงสัยเนี่ยโยกโค้งทําให้เราเนี่ยท้อบ้างท้อถอยบ้างลองผิดลองถูกไปด้วยสงสัยไปด้วยทำเด ule, เดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวไม่มั่นใจเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวไม่มั่นใจผิดผิ ด, ผดถูกถูกสารพัดโยกโค้งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวสัทธาก็มาวัดก่อนหมดสัทธาก็หายจากวัดก่อนเดี๋ยวหึดมาใหม่โผลุโๆเนี่ ย, เ, ยเขาเรียกว่าสัทธาหัวเต่าเขาเรียกว่าสงสัยอยู่บ้านนานๆก็ทุกเอามาวัดมาวัดก็ยังอามไม่ได้เอากลับไปใหม่หมดสัทธาสัทธาก็หึดหมดสัทธาก็แฟบไปหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าสงสัยลังเลไปหมดเลยตีลวนหมดเลยว่าอันไหนไม่รู้ทําไปทํามาก็ขวาน้ำเหลวเขาเรียกว่าสงสัย ลังเลไปหมดแต่พระโวดาบันไม่มีแล้วละได้แล้วรเรียก ว, ว่าละวิจิกิจฉาศิลปะตรามาได้เพราะละสกายธิติว่ามั่นใจว่านี่เท่านั้นที่ถูกต้องอันนี้แหลนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการที่เราจะละสกายะได้เนี่ยต้องไปวิธีนี้เท่านั้นไม่งั้นไปไม่ได้บางคนบอกว่าไปวิธีอื่นก็ได้ไม่ได้หล อ, ลองดูเถอะ ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็มั่นใจเลยว่าบุคคลนั้นจะก้าวไปสู่พระเดีเจ้าในในอนาคตการได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทำอย่างเดิมนั่นแหละให้ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปอ่าละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปฉะนั้นการพิจารณาร่างกายนี้จึงเป็นการพิจารณาที่บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายก็ละส ก, กายติิในที่สุด เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการทําอย่างเดิมนั้นก็ต้องต้องต้องทำต่อไปวิธีเดิมๆก็คือพิจารณาร่างกายนี้ขึ้นไปอีกพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปความละเอียดละเอียดมากกว่าโซดาบันก็ไปอีกแต่ก็ยังละสังโยชน์สามอยู่เหมือนเดิมะละสังโยชน์สามอยู่เหมือนเดิมแต่ละเอียดกว่าเขาเรียกว่าสกิทาคามีสังโยชน์เท่ากันแต่ละเอียดกว่ากัน <c oughs> ฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยคนคนนั้นก็มั่นใจว่าเราปฏิบัติขึ้นมปแล้วมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วทำให้ระบบระเบียบต่างๆพิจารณาในตัวเรานี่แหล ะ, ะสติปัญญาสี่ก็เกิดสัมมาปัญญาสีก็เกิดอริยสัจสีก็เกิด่า น, ดดานี่ทุกนี่เหตุของทุกนี่การดับทุกขนี่ข้อปฏิบัตินำาปสู่การดับทุก อิทธิบาทสก็เกิดอินทรีย์ห้าพระละห้าเกิดหมดเลยโพชฌงเจ็เกิดหมดเลยนะความจริงเกิดทุกอย่างเลยนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่ า, าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4ี่ชัดเจนว่าสติท้องเราก็จะเป็นสติปัฏฐาน4ี่แล้วก็การบําเพ็ญของเราก็คือมรรคนั่นเองควาจริงวันนี้อาการกระทำอย่างเดียวนี่แหละเราจะเป็นทุกอย่าง เมื่อเป็นดังนั้นแล้วมั่นใจว่าหนทางที่จะนําไปสู่การดับทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่เราแล้วแล้วก็มีวิแววของการที่จะชนะสงขามนี้ย่อมมีขึ้นแก่เราได้แน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแ จ, ไปจ้งขึ้นไปจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารหลังร่างกายความเห็นตัวเองก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตับไตไส้พุนน้ําเลือดน้ําเหลือง เห็นไปต่างๆนานาจนกว่าเราจะเห็นแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปในสุดท้ายเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งอ่าแ จ, แจ้งแจ้งทั้งตัวอ่าแจ้งทั้งตัวความจริงโสดาบันนี่ก็แจ้งทั้งตัวอยู่แล้วนะหัวถึงเท้าเลยนะแต่ว่าความแก่ยังไม่พอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วความแก่ทั้งเต็มที่สุดเนี่ย คนนั้นก็จะแจ้งถึงพระนาคามีพระนาคามีเนี่ยแจ้งสุดเลยเขาเรียกว่าร้อยเปรต์ร้อยังไม่เป็นพระหลานเลยนะเป็นแค่พระอนาคามีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระนาคามีก็คือเป็นผู้แจ้งบริสุทธิ์ผุดธผ่องแจ้งมากแจ้งจนที่ว่าความแจ้งนั้นไม่มีอีกแล้วความแจ้งนั้นชัดเจน และความแจ้งนั้นมากพอเต็มร้อยเชื่อไม้จิตของเราเนี่เต็มร่างกายหมดเลยจิตเราทั้งดวงเนี่ยกับร่างกายเราทั้งล่างเนี่ยเต็มไปได้วยความรู้เห็นสว่างสวัยมากเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยยิ่งกว่าตาเนื้อเราเห็นอีกนะตาเนื้อของเราเนี่ถือว่าเห็นยังยังยังไม่ชัดพออ่า เขาเรียกว่าเห็นยังไม่ชัดพอเท่ากับตาจิตของเราตาจิตของเราเนี่ยเห็นชัดมากเห็นชัดทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่ความเห็นนั้นชัดมากมากจนที่ว่าความเห็นนี้เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลย หมายถึงว่ากลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นไม่มีวันไม่มีคืนเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเมื่อวานนี้เห็นอย่างไรวันนี้ก็เห็นอย่างนั้นวันนี้เห็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็เห็นอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นบนศีรษะเห็นอย่างไรเบื้องล่างถึงปลายเท้าก็เห็นอย่างนั้น เบื้องทะล่างเห็นอย่างไรเบื้องบนก็เห็นอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเป็นเนื้อหาเดียวกันความเห็นอันนี้เป็นความอัศจรรย์เหลือเกินว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตัวเราเห็นแจ้งมากและเห็นทั้งนอกทั้งไหนเห็นตัวเองประดุดดังซากผีดิบ เบื a a ่อหน่ายมากนะเมื่อเบื goodbye, AH ่อหน่ายตัวเองเห็นตัวเองมากขึ้นไปเมื่อ้ากขึ ain, ้นไปก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื ain, ่อหน่ายตัวเองได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกได้เท่าไหร่ก็เบื่อหญิงเบื่อชายเท่านั้นความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันตั้งแต่ทำมาเนี่ยสมมติว่าเราทำตั้งแต่ต้นเนี่ย การมาลาคะตัวนี้จะอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนไ ป, นไปตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรกเลยนะเพราะว่าการน้อมจิตมาดพิจารณากายเนี่ยจิตไม่มีโอกาสไปคิดถึงใครเลยหญิงไม่มีโอกาสคิดถึงชายชายไม่มีโอกาสคิดถึงหญิงเลยเพราะว่าเราห้ามหมดเลยแล้วก็อบรมกายคตาสติพิจารณาตัวเรานี่อยู่เดืองนิดเชื่อไหมว่าการมาลาคะตัวนั้นความเป็นหญิงเป็นชายนะลดลงลดลงก็แต่โนอนแล้ว แ ต, แต่เริ่มทําแล้ ว, ลวไม่ใช่ว่าลดตรงตรงนี้นะแต่มาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดับสนิทเลยความดับสนิทของความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหญิงเป็นชายหมดเลยไม่เหลือเลยตาลืมลืมนี่แหละตาลืมลืมโหได้ยินอยู่นี่แหละไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเล ย, เลยปรากฏว่าความเป็นหญิงเป็นชายนั้นดับสนิทซึ่งเราไม่น่าเชื่อว่า ความเป็นหญิงเป็นชายนี้เราเกิดมามันก็เป็นแล้วอ่ะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วตัวเป็นใจก็เป็นด้วยแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยตัวนั้นถึงจะเป็นหญิงเป็นชายอยู่แต่ใจหมดแล้วใจไม่ได้เป็นอย่างอย่างที่เป็นหญิงเป็นชายแล้วเขาเรียกว่าสิ้นกามลาค่ะ ด้า น, นคนคนนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายแค่ร่างเพราะร่างนี้มันเปลี่ยนไม่ได้มาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ใจตรงนั้นไม่มีแล้วซึ่งคนคนนั้นเท่ากับว่าชนะธรรมชาติไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างเรามาเป็นหญิงเป็นชายแต่สามารถแก้ไขได้ที่จิตใจของเรานั่นเองและการดับ การหมดไปซึ่งความเป็นหญิงเป็นชายในครั้งนี้เนี่ยจะไม่หวนกลับมาสู่การมีได้อีกเลยและจะไม่ยอมให้มีได้อีกเลยก็น่าอัศจรรย์ว่ามนุษย์เรานี่สามารถทําได้จริงๆเลอไม่น่าเชื่อไม่เกี่ยวกับวัยนะว่าวัยนั้นจะอยู่ไวัยไหนก็ช่างแต่เมื่อบุคคลนั้นทําได้ตรงนี้แล้วเนี่ยหมดได้จริงๆนี่พิสูจน์ได้เลยนะพิสูจน์ได้จริงๆว่าโอ้หมดได้จริง ๆ, ลนะง ๆ, ดดงๆแล้วก็ไม่สงสัยว่า ความเป็นพระละหันว่าบอกว่าละราคะละโทสะละโมหานี่มีได้อย่างไรไม่สงสัยจะสงสัยได้ไงล่ะเพราะตัวเองทําไปเนี่ยมันละได้ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าพระละหันทั้งหลายก็ละได้ถ้าไม่ละได้เราทําแล้วละได้ยังไงล่ะตัวเองนั่นเนี่เป็นสักขีพยานว่าเมื่อตัวเองละได้ผู้อื่นก็ย่อมละได้สิ โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วพระราหันมีในโลกนี่จริงๆพระเจ้ามีพระราหันมีจริงๆขนาดเราตามยังยังยังยังมีผลเช่นนี้อันนี้จะเป็นประจักษ์พยานแก่คนนั้นได้อย่างดีเลยว่าโอ้มีได้ในโลกแล้วก็การละข้างนี้เนี่ยจะไม่หวนกลับจริงๆไม่ได้หลับตาหรอกหลืบตาก็ช่างลืมตาก็ช่างไม่มีผลเลยเรื่องนี้ไม่มีผลแล้วก็ผลอันนี้จะยั่งยืนไปตลอดชีวิตเลย นับได้ว่าตั้งแต่วันละตรงนี้ไปถึงตลอดชีวิตคนคนนั้นถึงจะร้อยปีก็ช่างเดินนะจะไม่มีเรื่องนี้อีกเลยอัศจรรย์มากว่ามีได้อย่างไรเออคนคนเหล่านี้แปลกเนาะฝึกได้นี่ถึงได้บอกว่าฝึกมีการปฏิบัติมีกำลังของบุรุษมีข้อวัดปฏิบัติมีผลมีจริงทำได้จริงๆไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้เลยธรรมชาติแก้เป็นของแก้ไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้นต้องแก้ได้ก็แก้ได้ถ้า เ, าเราแก้ได้แสดงว่าการแก้ได้ก็ย่อมมีอันนี้ก็แหละเรียกว่าเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น ศักขีพยานเป็นของประจักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจว่าโอ้คำสอนนี้น่าอัศจรรย์การที่เราทำลายความเป็นหญิงเป็นชายได้เนี่ยความทุกข์ต่างๆในโลกนี้ที่เกิดจากความเป็นหญิงเป็นชายนี้จะมีกับคนนี้ได้อย่างไรไม่ได้แน่นอนเช่นว่าความเรื่อง กามราคะนี้เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์เบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความยื้อแย่งกันบ้างเป็นไปเพื่อผิดศีลผิดธรรมมากมายบ้างจะไม่เกิดแก่คนนี้ได้แน่นอนเพราะคนนี้ไม่มีแล้วความรู้สึกอันนี้ฉะนั้นเหตุใดๆทุกใดๆความโทษความเป็นโทษใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้ จะเกิดไม่ได้กับคนคนที่สิ้นแล้วซึ่งลาคะแล้วลาคะตัวนี้เนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายตัวนี้เนี่ยถ้าละไปแล้วปุ๊บโทสะยยอมรับด้วยโทสะเป็นของคู่กันลาคากับโทสะนี่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเมื่อลาคาะอยู่ไม่ได้โทสะก็บอกว่าขา้าเขาอยู่ไม่ได้อัศจรรย์ว่าทั้งของทั้งสองในเป็นเพื่อน ชิดสนิทกันมาก่อนเมื่อราคะมีโทสะย่อมมีเมื่อราคะดับโทสะบอกว่าฆ่าไปด้วยเราดับได้สองตัวทันทีเลยเหมือนกับว่าปืนนัดเดียวโทสะย่อมไม่มีคนนั้นจะไม่มีความโกรธเลยไม่ว่าเรื่องใดทั้งสิน้นอัศจรรย์ว่ารักก็ฉะรักก็หมดชังก็หมดเพราะรักชังเป็นคู่หามกัน เหมือนตาช่างตาช่างเนี่ยข้างหนึ่งเป็นรักข้างหนึ่งเป็นฉังข้างหนึ่งเป็นกรรมมะลาขะข้างหนึ่งเป็นโทสะถ้าเราหยิบเอาของข้างใดข้างหนึ่งออกข้างนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้หล่นมาเหมือนกันเพราะว่าที่มันด้างตั้งอยู่ได้เพราะมันเท่ากันฉะนั้นเวลาเราหยิบข้างใดข้างหนึ่งข้างนั้นก็ล่วงตั้งอยู่ไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันว่าราคานี้สิ้นไปเนี่ยโทสะย่อมสิ้นแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นมากเลยนะมั่นชนดิดว่าไม่เสื่อมแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรอีกแล้วแต่คนนั้นก็ยังเป็นพระอนาคา ม, มีอยู่นะเป็นพระอนาคา ม, มีอยู่เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการกระทำที่สุดของทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่คนนั้นว่าอ๋อนี่ทุกข์แท้จริงเนี่ย เป็นอย่างนี้ความทุกข์ทั้งหมดนี้อบรมมาตอยโดยลาดับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปลาคะก็หมดโทสะก็หมดเมื่อเบื่อตัวเมื่อเบื่อตัวเองเห็นตัวเองแจ้งเท่าไหร่ก็เบื่อโลกเท่านั้นเมื่อเบื่อโลกเท่าไหก็คลายความเป็นหญิงเป็นชายเท่านั้นคลายความเป็นหญิงเป็นชายเท่าใด ก็จิตก็ตั้งมั่นเท่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเท่านั้นจิตก็ละลาคะล ะ, ล ะ, ะ, ละโทสะไดะ้ความยินดีในละยินร้ายในโลกก็ละได้ก็คืออภิชาและโทมนัดความยินดียนินร้ายต่างๆก็ละได้และการละครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าละแล้วละเลยไม่มีการหวนกลับแลวก็ผลอันนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นมาตรฐานมากทีเดียวว่าการละนี้เป็นการละครั้งสุดท้ายที่เราละแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่การมีนั้นมีได้อีกเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แหละเธอเรียกว่าเป็นผู้ชนะสงครามเมื่อเบื่อตัวขึ้นมาก็เบื่อตาเมื่อเบื่อตัวก็มาก็เบื่อหูเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อจมูกลิ้นกายใจ เบื่อตัวเองนี่เองเห็นแจ้งตัวเองก็เกิดการเบื่อตัวเองก็เบื่อโลกเบื่อโลกก็ละความเป็นหญิงเป็นชายและยังไม่พอละตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ด้วยเราจะเห็นไหมว่าเบื่อตัวนี่เนี่ยให้เราเบื่อตาเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อตาเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อเวทนาอันเกิดจากตานั้น คือความสุขทุกใดที่อาศัยตานั้นเกิดขึ้นนั่นแหละคือเวทนาของตาเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อสัญญาอาศัยจิตใดที่อาศัยตาแล้วไปจดจําอะไรไว้ไปไปเห็นอะไรไว้แล้วก็จํามาความจําทั้งหมดที่อาศัยตานั้นเป็นเหตุเราจะเห็นไหมว่าแล้วแต่เกิดมาเนี่ยตาเราไปเห็นอะไรมันจําไม่หมดเลยอะจำได้ไหมสมัยเด็กนะเห็นอันนั้นนะเห็นอันนี้จํำมาหมดเลยก็มันเป็นอารมณ์ปัจจุบันนี้เอง เนั้นเวลามานั่งสมาธิปัจจุบันอารมณ์เก่าอารมณ์ใหม่เต็มไปหมดทับซ้อนอารมณ์เก่าก็ไม่ได้ทิ้งอารมณ์ใหม่ก็มาเลยบัดนี้เบื่อหน่ายตาเท่านั้นแหละเชื่อไหมก็เบื่อหน่ายความจําของตาที่จํำบาทั้งหมดว่านั่นก็ไม่ใช่เราจําจมาทมําไหมเบื่อตัวก็เบื่อตาเบื่อตัวก็เบื่อเวทนาอันเกิดจากตา เราสังเกตไหมว่าตั้งแต่เราเกิดมามีตาเนี่ยไปรับความสุขความทุกข์ไปไม่หมดเลยอันนี้สุขนะอันนี้ทุกขนะ์นะนี่ไม่สุขไม่ทุกข์นะเวลาจิตเราไปผ่านหูผ่านตามาเนี่ยแล้วสุขทุกข์อะไรเนี่ยไปหลงกับความสุขกัาทุกข์เหล่านั้นว่าอันนี้สนุกนะอันนี้ไม่สนุกนะอันนี้เพาะนะอันนี้อร่อยนะรูปรสกลิ่นเสียงไปหมดเลยความสุขเหล่านั้นคือเวทนาสาม ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราใช้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยไปเก็บเกี่ยวความรู้สึกว่านี่สุกนะนี่อร่อยนี่สุกนี่ทุกนะอะเวทนานั้นก็จะเก็บมาทำไมก็เบื่อในความสุขทุกเหล่านั้นว่าตั้งแต่เกิดมาเราใช้หูใช้ตาวันนั้นสุกนี่ทุกเบื่อหมดเลยว่านั่นไม่ใช่แล้วเก็บมาทำไมอ่าเก็บมาจําไว้ทำไมเก็บมาทำไมอ่าเก็บเออเสวยมาทาไม รู้จิตที่รู้ไปจิตเราเนี่ยวิ่งไปสู่อยายตนะเหล่านั้นวิ่งไปเสวยผลว่านี่เสวยว่านี่สุขนี่ทุกเนี่ยเป็นเวทนาวิ่งไปสู่ตาหูเหล่านั้นรัดจํามาไว้จําไว้เป็นสัญญาวิ่งไปผ่านหูปานตานั้นปรุงแต่งไปเป็นสังขารวิ่งไปสู่หูตานั้น แล้วรู้สึกว่านี่เห็นนะนี่ได้ยินนะตาเป็นใหญ่ในเห็นหูเป็นใหญ่ในได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในรสกายถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่ในอารมณ์ความเป็นใหญ่เฉพาะทางต่างหูนั้นมาเป็นเป็นตัวเป็นตนว่านั่นเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอย่างนี้ให้ความหมายว่ามันมีความสำคัญอันนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่เราเลยเมื่อตัวทั้งแท่งนี้ไม่ใช่เราเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่โมเมเอานะเป็นการเข้าถึงจริงๆอันนี้แหละที่บอกว่ารู้แจ้งอิจตนะแล้วก็รู้แจ้งผัสสายตานะคือการสัมผัสของอิจตนะเ่านั้นผัสสาแปลว่าสัมผัสจึงได้หัวข้อที่ว่าผัสสายตนะ แล้วเมื่อรู้แจ้งแล้วเราจะครอบงําอายตนะล่านี้ให้อยู่ในกํามือของเราเขาเรียกว่าอภิภายยตนะอภิแปลว่ายิ่งใหญ่บวกกับอายตนะเขาเรียกว่าอภิภายยตนะอภิอายะอภิแปลว่าใหญ่อายตนะแปลว่าหูตาบวกคำสองคานีา้มาบวกกันก็กลายเป็นอภิภายยตนะซึ่งว่าเราจะต้องครอบงําหูตาเราให้ได้ อันนี้แหละเขาเรียกว่าการที่เราจะครอบงมอิยตนะเหล่าได้เนี่ยเพื่อให้ตัดการไปของเขาเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์กันมาให้มันสัมพันธ์โลกนี้ต่อไปเพื่อให้ขาดกันเพื่อให้จิตขางเราหลุดออกมาซะแล้วจิตเราจะอยู่ในอำนาจของเราทั้งหมดได้ อันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่เราจะชนะจิตเราด้วยวิธีอันนี้ซึ่งการกระทาอย่างนี้แหละเราถึงจะต้องกระทำโดยการอบรมไปตามแผนผังที่วางไว้ตั้แต่แรกว่าความอยากของเขานี่เองเป็นสาเหตุของปัญหาและความอยากของขอ ง, ของจิตที่อยากจะไปอยู่ที่เราเข้าสมาธิแล้วมันสง บ, บแต่ออกมามันอยากไปอีกแล้ว ความอยากนี้จะสิ้นได้เมื่อการกำจัดฉันทลาคะในตัวเราดันการที่เราจะเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็กปจัดฉันทะลาคะในตัวเราได้เราต้องทำให้แจ้งบัดนี้การทำแจ้งก็แต่งมาตามลำดับแล้วดังๆอธิบายมาให้ฟังนั่นแล้ว ทีนี้ว่าเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็หวังผลว่าเราทํามาถูกต้องเพราะว่าทํามาถึงป่านนี้แล้วแม้แต่ลาคะโทสะก็ดับไปกิเลสสามตัวยิงไปล่วงไปสองตัวแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวลมมาล่ออยู่ยังตัวนี้สุดท้ายนี้ก็ยังลมมล่อนะหมายถึงจะไม่รอดเราหรอกว่างั้นเถอะ คือร่อแรก่แล้วละ่ะตัวสุดท้ายที่เหลือก็ล่อแรก่ไอ้สองตัวนี้ตายไปแล้วกิเลส ท, ทั้งหมดมีสามตัวยิงไปแล้วสองตัวแต่ตัวสุดท้ายก็ล่อแรล่จวนเกียนจะตายอยู่แล้วคงไม่รอดในกํามือของเราแน่นอนคนนั้นก็มั่นใจสิว่าสงครามนี้เราชนะได้อันนี้แหละเ็าเรียกว่าทำแล้วมีผลทำแล้วทำให้เราเนี่ยฮึกเหิมทาให้เราเนี่ยมั่นใจในปฏิปทาว่า ที่เราดำเนินมานี่ถูกต้องถ้าเกิดว่าปฏิบัติไม่ถูกจะเป็นไปได้ไงละราค ะ, ะละโทษะได้ละได้ยังไงถ้าไม่ถูกอะแต่ที่นี้ละทำละได้แสดงว่าถูกนั่นเองนี่ใครบอกว่าผิดยังไงก็ช่างเถิดแต่มันละได้แล้วเนี่ยเราสบายใจแล้วจะผิดจะถูกก็ปากเขาว่า แต่เราพอใจในผลแล้วและเราก็ตรวจสอบในการทำของเราแล้วว่าละได้จริงๆและใครมีความสามารถละได้เราที่บอกว่าผิดๆนั่นเนะยก็บอกว่าผิดแล้วเนี่ยสอนเนี่ยคนที่ว่าน่ละได้ไหมละ่ะแต่คนที่ผิดเนี่ยละได้อะที่ก็ว่าผิดนั่นแหละฉะนั้นจะผิดหรือถูกเนี่ยอยู่ที่เนื้อหาของการปฏิบัติเราจะเชื่อใครมากไม่ได้ เราพอใจนี่เราทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เนี่ยเราพอใจในผลนี้เนี่ยมันผิดที่ไหนเราอ่าอันนี้ก็คือว่าเราเป็นผู้พิสูจน์ในคำสอนพู้เจ้าเพราะเราเกิดมาเนี่ยพรธองค์ไม่ได้ทรงอยู่แล้วทรงละไปแล้วเหลือแต่คาสอนทิ้งไว้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถูกต้องก็คือวัดด้วยการเห็นผล ทุกวันนี้ท่านเขท่านทิ้งมรดกให้เรานะเราทําไปนี้เหมือนกับว่าทําสุ่มไปเพราะไม่มีใครมากํากับเราเลยทําไปด้วยความรู้แต่ว่าพระธรรมคาสอนนั้นเป็นองาศาสดาแทนเรามาแทนท่านและของเราที่จะต้องเอามาปฏิบัตทิท่านก็กล่าวไว้แล้วนี่ว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยใครเล่าที่จะเป็นาศาสดาแทนท่านทั้งหลาย ก็พระธรรมคาสอนของเราที่สอนไว้ดีแล้วนี่เองบัดนี้เราก็นําคําสอนนั่นแหละมาปฏิบัติแสดงว่าคําสอนนั่นแหละคือองค์ศาสด า, ศาแสดงว่าเราเจอเกิดมาครั้งนี้ถึงไม่เจอท่านจริงๆก็เจอคําสอนซึ่งเป็นองค์แทนของท่านอยู่แล้วแต่เมื่อคําสอนนั้นถูกการปฏิบัติของเรานํามาปฏิบัติแน่นอนผลอันนั้นย่อมเกิดแน่ผลอันนั้นเนี่ยจะเป็นประจักษ์แก่เราว่า พุทธองค์ทรงมีอยู่หรือไม่แล้วคำสอนของท่านตัดไว้แล้วจริงแค่แค่ไหนอย่างไรซึ่งจะเป็นสักขีพยานเด่งอย่างเด่นชัดว่าให้เรารู้เลยว่านี่คือความที่เราเดินมาอย่างถูกต้องแล้วอันนี้ก็คือการวัด การประพฤติปฏิบัติก็คือการวัดด้วยเหตุผลอันนี้นะเพราะว่าการทาอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าการวัดผลโดยการประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็เรียกว่าเบื่อตัวก็เบื่อตาเบื่อตัวก็เบื่อหูจมกูกลินกายใจเบื่อความเป็นหญิงเป็นชายเบื่อตัวก็ขายความเป็นหญิงเป็นชายเบื่อตัวก็เบื่อตานั้นด้วยเบื่อหูนั้นด้วยว่า นั่นก็ไม่ใช่เราอย่าหมายมั่นว่าอะไรเป็นอะไรเลยวางว่าเถิดขอให้ตานี้หูนี้ทำงานอยู่อย่างเดิมแต่จิตนี้ขอเลิกลากันทีจิตนี้ดึงตัวเองออกจากหูจากตาว่าข้าไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเจ้าแล้วนะเจ้าจะมีอยู่ก็ให้มีอยู่แต่ข้าไม่ไม่ยินดียินลายกับเจ้าแล้วเมื่อก่อนข้าใช้เจ้าแหลกเลย แต่เกิดมาก็ใช้หูใช้ตาจนเป็นที่มาของความยุ่งเหยิงเห็นเห็นอะไรรู้อะไรก็เก็บเกี่ยวมาเต็มหัวใจขนขยะเข้าบ้านมาเต็มไปหมดปัจบันโลกลุงมลังไม่เอาแล้วหนักเหลือเกินเขเรียกว่าจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่ขนมาเวลาทําสมาธิเนี่ยเราก็มาเจอปัญหาเหล่านั้นว่าจิตเราเนี่ยมีแต่อารมณ์ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย <c oughs> ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นก็มากมายกายกองซึ่งทำให้เราเนี่ยทำสมาธิไม่ได้หรือได้ก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้บัดนี้โละทิ้งหมดเลยเขาว่าอารมณ์อย่าได้มีแก่เราเลยนั่นคือความผิดพลาดของเราที่สำคัญมั่นหมายว่ า, าความไม่รู้ไม่เห็นของเรามืดมืดบอดความมืดบอดอันนั้นแหละที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่เคยรู้ แจ้งในพระธรรมเพราะไม่เคยรู้แจ้งในพระสธรรมคําสอนพระเจ้าบัดนี้คําสอนของท่านเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็มีผลตามลําดับนั้นอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นได้เห็นอย่างนี้แล้วก็มีความมั่นใจสามารถจะยกตนของตนเข้าสู่การรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคําสอนพระเจ้าได้ทั้งสำเร็จทําให้เกิดการคอบงำ อิจตนะเหล่านั้นได้ที น, นี้เมื่อครอบงำอิจตนะเหล่านั้นก็คือหมายถึงว่าจิตนั้นดึงตัวเองออกความข้าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะเจ้าจะเห็นอะไรรู้อะไรข้าไม่เกี่ยวแล้วจงทำงานอย่างเดิมไปเถิดแต่จิตดึงสะพานาดึงเขาเรียกว่าชักสะพานเสียไม่ยุ่งเกี่ยวกับตาหูอีกต่อไปทำให้ตานั้นหูนั้นก็มีหยู่เปล่า เขาเรียกว่ามีอยู่เปล่าๆมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนเหมนไม่รู้รู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นแต่ว่าจิตจะหมายมั่นว่าอะไรอะไรเลิกลาแล้วดวงตาดวงนั้นหูตาจมูกเลื่อนกายใจก็ไม่มีความหมายเป็นอันว่าโมคะฉะนั้นระหว่างที่อบรมอยู่เนี่ย เมื่อรู้แจ้งหูตาอย่างนั้นเนี่ยจิตนั้นก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับหูตาเป็นอันว่าหูตานั้นก็หมดพิษสงจิตก็เลยไม่อยากไปแล้วความอยากของจิตทั้งหมดก็สิ้นลงไปสิ้นลงไปว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันทีโลกนี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวกัแล้วนะเราไม่ทำอะไรกับโลกแล้วเราขอถอนถอนถอ น, ถอนตัวเองออกจากโลกซะ ทำให้ความอยากทั้งหมดที่จิตที่มีอยู่เนี่ยที่บอกว่าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยไปเพราะความอยากบัดนี้ความอยากนั้นหมดสิ้นไปตามแผนผังหรือแผนการที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะต้องทําลายความอยากนี้ออกจากจิตให้ได้แล้วก็เมื่อจิตหมดอยากจิตนี้ก็จบกันเมื่อการจบกันแล้วเนี่ยจิตเราก็ตั้งมั่นเลย การไปของจิตไม่มีอีกแล้วต่อไปอวสานเลยเราต้องการอย่างนั้นปากฏว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผลอันนั้นสามารถที่จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายของเราได้ในที่สุดเราก็สามารถที่จะชนะใจตรงนี้ได้โดวยวิธีนี้หลังจากนั้นจิตนี้เลิกหลาจากโลกนี้จิตนั้นก็แยกตัวออกไปไม่ออกไปแล้ว ทีนี้จิตดวงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าความอยากของเขาสิ้นไปอย่างที่เรามองได้แต่ต้นว่าจิตเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงไปเราจิตก็บอกว่าไปเพราะความเคยชินเมื่อชินบ่อยๆก็อยากจะไปอีกก็ความอยากนั่นเองทำให้เขาไปบัดนี้ความอยากดังว่านั้นสิ้นสุดลงเพราะได้รู้เห็นอย่างนี้ขึ้นมา ทำให้ความอยากนั้นนนั้จบลงด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแจ้งเห็นจริงการว่องผังงานการมองโครงสร้างของการมองว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกอย่างก็จะจบปรากฏว่าการมองอย่างนั้นแม่นยำมากคาดการไม่ไม่ผิดเลยว่าวิธีนี้ต้องจบลงปรากฏว่าอะไรทำจริงๆพิสูจน์แล้วนี่ยจบลงได้จริงๆคนนั้นชื่อว่า เป็นสุดยอดแห่งปัญญาเป็นผู้มองด้วยความแม่นยำดุดนายขางหมั้งธนูที่ปล่อยลูกสอนไปแล้วตรงเป้าไม่ผิดพลาดเขาเรียกว่าเป็นผู้สามารถที่จะแทงเอี้ยสัตว์ด้วยปัญญาอย่างแม่นยำดุดนายขางหมั้งธนูอันนี้แหละเขาเรียกว่ามองแล้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยไม่ผิดเลย ที่มองแผนการว่าสงขามนี้จะจบลงด้วยวิธีนี้เชื่อไหมเมื่อบุคคลนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกอย่างจบเลยนะเราจะต้องไม่ยุ่งยากเรื่องอารมณ์อีกต่อไปเลยตลอดชีวิตนี้จะไม่มีคำว่าอารมณ์เลยท้าทายถึงขนาดนั้นนะว่าการปฏิบัติชนิดนี้เนี่ยอยู่ยงคงกระพันมากไม่กลับไปสู่ภาวะเดิมได้อีกเลยแล้วก็รักษามาตรฐานเดียวนี้เอาไว้ ตลอดถึงชีวิตคือวันตายฉะนั้นกรรมาฐานเนี่ยเขากลัวที่สุดก็คือมาตรฐานทําแล้วมันไม่มีมาตรฐานน่ะเราเราทำอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นแล้วก็แต่ละวันแต่ละเวลานี้เคลื่อนไหวตลอดหาความเป็นมาตรฐานไปได้แต่วิธีนี้เนี่ยมีมาตรฐานเดียวเท่านั้น คือหนึ่งเดียวและการหนึ่งเดียวของจิตนี้ไม่ต้องเข้าสมาธิอะไรเลยอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เข้าสมาธิอะไรเลยอยู่เหมือนคนธรรมดาเป็นไปได้ยังไงอะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลบอกถ้าเข้าสมาธิล่ะไม่ต้องพูดเลยสงบอะมหาสาลเลยขนาดไม่เข้ายังสงบนะ่ะยังไม่มีรอยรั่วถ้าเข้าสมาธิ ไม่ต้องพูดเลยว่าความสงบดับเบิ้ลสงบยิ่งสงบขนาดไม่เข้าเลยเนี่ยความสงบยังเป็นหนึ่งตลอดเวลาถ้าเข้าสมาธิไม่ต้องพูดหรือเรื่องความสงบอันนี้แหละสุดยอดถ้าเกิดคนนี้ไม่ได้เข้าสมาธิตลอดถึงร้อยปีเนี่ยจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะจิตมันหมดความอยากความอยากมันสิ้ น, นมันก็เลยว่าเหมือนลดหมดน้ามัน มันจะไปได้ยังไงล่ะเครื่องก็ไม่เสียอะไรก็ไม่เสียแต่น้ำเชื้อเพิงหมดหมดเขาเรียกจิตหมดเชื้อเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันการติดไฟย่อมไม่มีแน่นอนเชื้อความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเชื้อกันไปคนจิตที่อยากจะไปก็หมดเขาเรียกว่าหมดเชื้อนี่คือการถอนรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดได้ การทำความเพียรอย่างนี้เนี่ยเขาทำครั้งเดียวเมื่อจบแล้วไม่ต้องทำอีกผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราทำแล้วทำเล่าทําแล้วทำเล่าเปลี่ยนแปลงเสมอใช่ไหมล่ะเพราะระบบของเราไม่ถูกต้องแล้วเราจะครอบงมได้ยังไงหูตาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นถืถอว่าหูตาทั้งหมดอยู่ในกำมือของข้านะเขาเรียกว่าอภิพายตนะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโหตานั้นอีกสามารถจะให้จิตนี่อยู่ในกำมือของตัวเองเชื่อไหมว่าจิตตรงนั้นนะเมื่อก่อนเราเกิดมาเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมได้เลยว่าจิตนี้ต้องอยู่อย่างนี้นะต้องไปอย่างนี้นะคุมไม่อยู่ทําสมาธิมาออกสมาธิก็ยังวิ่งอีกทําสมาธิกว่าสงบก็ยากเมื่อยากแล้วแทนแทนที่จะอยู่กลับอยู่ได้ไม่นานไปอีกแล้วแต่บัดนี้เนี่ย จิตตรงนั้นอยู่ในกามือเราเท่านั้นจิตตรงนั้นอยู่ในกามือของเราเท่านั้นไม่มีอำนาจอื่นเข้ามายุบยามหัวใจเลยไม่มีอำนาจอื่นที่จะมาครอบงานอกจากเราเท่านั้นที่จะกำไว้ในมือเหมือนกับว่าสมบัตินี้กำอยู่ในมือของเราเท่านั้นจิตตรงนี้อยู่ในกามือเราแน่นอน1้0เ ไม่มีอำนาจอื่นที่จะกระชากจิตเราโดยพระละกานอัศจรรย์ไหมว่าการทำอย่างนี้หมายถึงเรากู้สถานการณ์ได้สำเร็จเมื่อก่อนจิตของเราเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของกิเลสดึงไปตลอดเราก็เลยตามเขาไปเราก็ไปจิตก็ไปไปเพราะอำนาจของกิเลสบัด น, นี้เราก็ไม่ไปจิตก็ไม่ไปเป็นอันว่าเรากับจิตเนี่ยไม่ทะเลาะกันแล้ว กลายเป็นว่าเรากับจิตอยู่อย่างสมานฉันแล้วก็อยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้คนนั้นสุดยอดของการฝึกชื่อว่าเป็นสัตว์ปรุษเป็นปรุษอาชาไนที่เดียวอันนี้ก็คือเรื่องอัศจรรย์ว่าคนเราฝึกได้จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าโลกนี้เรากาจิตไปอยู่ในกมือ นรกสวรรค์เรื่องอะไรจิตเราจะให้ไปในทางที่ไม่ดีเรานารกสวรรค์ก็ไม่เอาอะไรไม่เอาทั้งสิ้นเพราะนั่นคือของไรสาระจิตตรงนั้นไม่สามารถจะทำอะไรพระกรการได้เลยนะเพราะอยู่ในกามือเราหมดเลยฉะนั้นในตลอดวันวั น, วนหนึ่งคืนคืนหนึ่งจิตนี้จะดิ้นไปหรือจะไหลไปโดยไม่มีการอนุญาตของเราก่อนไม่มีเลย เขาจะไปไหนมาไหนต้องผ่านการรับรองของเราก่อนนะขออนุญาตเราก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่ขอเราเลยใช่ไหมจะไปไหนก็ไปเราเราดึงไม่อยู่ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้อบรมมาแล้วกับกลับด้านกันจิตนั้นจะเป็นจิตว่า น, นอนสอนง่ายเป็นจิตที่อยู่ในกำมือเราเป็นจิตที่อยู่ในอํานาจของเราหมดเลยเราสามารถจะครอบงำจิตนั้นได้ อันนั้นแหละเขาเรียกว่าอภิภยัยตนาสามารถจะมีหูมีตาไม่มีความหมายเลยอยู่ในกำมือเราหมดเลยหูตาไม่มีพิษสงเลยวันวันมีหูมีตาไปตีจิตนี่ไม่มีผลกระทบอะไรสักทิ้นเลยชื่อว่าบุคคลนั้นรู้แจ้งในศาสนานี้อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการกระทำที่ถูกต้องก็คือทำอย่างนี้ เราจะรู้ความถูกต้องนี้ได้อย่างไรเราอาศัยผลของการรู้สิผลนั้นจะตอบรับให้แก่เราว่าทำทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็อยู่ที่ผลเหมือนเราคนปนหรือเหมือนเราเป็นคนป่วยเมื่อเราป่วยอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ายานั้นดีก็ดูการป่วยของเราสิมันหายหรือเปล่าล่ะมันหายก็แสดงว่าดีนะยาเน่ะหายก็ดีมันก็คู่กันถ้าไม่ ถ้าไม่หายก็คื อ, อยานั้นไม่ดีเราปฏิบัติมาว่าปฏิบัติของเรานี่จะถูกผิดหรือไม่ก็ดูการดับของอารมณ์สิอารมณ์มันหมดไปหรือเปล่าล่ะหมดแล้วไม่หวนกลับหรือเปล่าล่ะความเป็นหญิงเป็นชายหมดหรือเปล่าล่ะความดับสนิทมีหรือเปล่าล่ะถ้าดับได้ก็ถูกนั่นเองใครจะบอกว่าไม่ถูกก็ช่างเถอะแล้วเมื่อหายโรคแล้วนะ่ะใครจะว่าเออยานี้ไม่ถูกนะ ก็มันหายแล้วอะ่ะถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างมันหายได้อะ่ะเราก็พอใจแล้วจะเอาคนอื่นมาว่าตัดสินแทนเราได้อย่างไรเราพอใจที่จะทำฉะนั้นการกระดาษแบบเช่นนี้อย่างที่สอนนี่ก็จริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยยินที่ไหนนะแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยผลของเขาเนี่สุดยอดสุดยอดดังว่านี่แหละดังอธิบายเนีนะว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นผลที่ เขาเรียกว่าอัศจรรย์แล้วทำครั้งเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าทำแล้วมีวันจบอย่างสมาธิที่เราทำทำกันเนี่ยทำแล้วก็วิ่งทำแล้วก็วิ่งทำแล้วก็ปล่อยไล่จับอยู่นั่นแนละทำยันตายก็ไม่จบแถมไม่จบด้วยไม่ถูกด้วย้ะทำไปทำไมมันไม่เสียเวลาเลยการที่เสียเวลาเราก็กลายเป็นว่า เราไม่สามารถจะคว้าประโยชน์ได้เพราะชีวิตเราน้อยนิดอย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาทําอะไรไม่ทํามากหรอกเขาทําไประดับหนึ่งเขาวิเคราะห์ทันทีเลยทําไปวิเคราะห์ไปทําไปวิเคราะห์ไปฉะนั้นการกระทําทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าการกระทําทุกเวลานี่เหมือนกนับ เ, เนื้อๆหน่อยไม่เสียเวลาโอ้เอ้แวะข้างทางบ่อยไปทางตรงๆหนะ่อยมัวแต่แวะดอกไม้ข้างทางอยู่นั่นเนี่ยมันจะไปได้อะไร เมื่อแต่แวะข้างทางบ่อยเนะี่ยไปผิดไปถูกหมดพอดีตายพอดีมันเสียเวลาฉะนั้นเวลาอันน้อยนิดของเราเนี่ยเราต้องรัดที่สุดเร็วที่สุดรวบรัดที่สุดตรงที่สุดอย่าไปแวะข้างทางบ่อยแล้วทำอะไรอย่าทำมากทำพอสมควรแล้ววิเคราะห์ ด, ดีเลยเขาทำกันอย่างนี้นะไม่งั้นไปไปไม่ทันเพราะการเวลาเราทั้งหมดเนี่ยมันทุ่มเทมากนะ ก็เวลาชีวิตของมนุษย์นิดเดียวเองเดี๋ยวก็งองแง ง, งองแ ง, งจะตายกันแล้ว <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ก็ได้ชี้แจงว่าการทมที่ไม่ถูกเนี่ยทาแบบไหนก็คือทำสมาธิ ด, ดำเดิมบนไปบนมาแล้วก็ยังืนทำอยู่นั่นแหละเพราะอะไรไม่มีปัญญาแล้วก็พูดถึงว่าคนมีปัญญาทำอย่างไร ก็ดังอธิบายมา น, นี่แหละว่าเขาวิเคราะห์ว่าทําสมาธิออกมาจิตมันวิ่งทําเข้าไปออกมาก็วิ่งทําไปทํามาวิ่งเลิบวิเคราะห์เลยว่าแสดงว่าวิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ค้นว่าทําไมถึงวิ่งละ่ะจิตก็วิ่งเพราะความอยากไปแล้วความอยากมาจากไหนละ่ะก็ค้นความอยากมาจากฉันทะราคะในตัวเราแล้วฉันทะราคะจะได้ตรงไหน จ, จะละได้อย่างไรก็คือต้องเบื่อหน่ายซะ ถ้าเบื่อหน่ายจะทำยังไงต้องแจ้งขึ้นมาก่อนมันไม่แจ้งจะเบื่อหน่ายได้อย่างไรก็ต้องมีการทำให้แจ้งเมื่อแจ้งแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายได้จริงๆเมื่อเบื่อหน่ายก็ทุกอย่างก็ไปตามแผนที่เราวางไว้หมดเลยในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถชนะแผนนี้ด้วยการมองอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าคนฉลาดทำแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่ทุ่มเทไปวันต่อวันเดือนปีต่อปีกับคนอื่นเนี่ย คนคนละเรื่องกันเลยทำกับทำวันกับคืนวันกับวันคืนกับคืนการกระทำต่อการกระทำเห็นชัดเจนว่าทำไมไม่เหมือนกันจะเหมือนกันได้ยังไงว่าต่างคนต่างทำอันนี้แหละเขาเรียกว่า การกระทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําอย่างถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือปัญญาปัญญาเนี่ยทางธรรมต้องใช้มากทางโลกพอใช่มากปัญญาเหมาะทุกที่ของคุณเราและก็มนุษย์เราเนี่ยก็ภพภูมิของมนุษย์ก็ปัญญาอยู่แล้วชันไหนปัญญาของเราทําไมไม่มาใช้แล้วฉะนั้นพ้นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยปัญญาเป็นตัวเขาเครียบเนะ ั้พระพุทธองค์เนี่ยจึงได้บอกว่ า, าปัญญาคือทรัพย์ในโลกเป็นคนเป็นอยู่ด้วยปัญญาถึงอยู่ไม่กี่วันก็ถือว่าได้มีประโยชน์ถึงบุคคลนั้นจะอยู่ถึงร้อยปีแต่คนนั้นสิ้นด้วยปัญญาเหมือนบุคคลที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะปัญญาไม่มี อันนี้แหละเขาเรียกว่า <c oughs> อปัญญาทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอ่าทางที่ถูกต้องบางคนบอกว่าอ้าวถ้าเมื่อปัญญาดีเนี่ยแต่เราไม่มีปัญญาทํำยังไงก็ฟังผู้รู้สิฟังทำสิแล้วปัญญาก็เกิดเขาเรียกว่าสุตตะปัญญปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง เราก็ฟังที่ล้วก็เข้าใจก็ไปทําตามนั้นสิเขาเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องมีการที่มาที่ไปปัญญาเหล่านี้ก็คือเกิดจากการที่บุคคลที่ข้ำข้ำคล้าต่อการทำมานานผ่านการปฏิบัติมาเขาถึงได้มีสติปัญญา แต่เราจะปฏิบัติตามก็ต้องอาศัยผู้รู้นั่นแหละชี้ทางชี้แนะทางไปชี้นําทางนั้นไปสู่การรู้ฉะนั้นการที่เราจะรู้นี่ก็คือรู้ด้วยเหตุผลเหตุประการหลายอย่างก็คือเราจ้องฟังด้วยแล้วก็การกระทําของเราด้วยเมื่อรู้แล้วฟังแล้วเข้าใจแต่ไม่ทําผลนั้นก็เกิดไม่ได้น ะ, ะแต่ว่าเมื่อทําไปแต่ไม่รู้ ทำนั้นก็ผิดผิดถูกถูกก็เกิดไม่ได้เหมือนกันไม่รู้แล้วคืนทาไปทำมากมากก็กลายเป็นทำผิดทางอีกก็จะรู้ได้อย่างไรแต่เมื่อรู้แล้วแต่ไม่เอาความรู้นี้ไปทำความรู้นั้นก็แค่ความรู้ผลนั้นก็ออกปาไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเรารู้แล้วต้องทาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยก็เกิน เ, เขาเรียกว่าต้องเป็น ก็เป็นประโยชน์ก็แต่ต่อคนหมู่มากแล้วก็คนหมู่มากที่ไม่รู้ไม่เห็นก็จะเป็นการเข้าใจสิ่งที่ไม่รู้ย่อมรู้สิ่งที่ไม่เห็นไม่เข้าใจย่อมเข้าใจจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมนี่เองอันนี้ก็คือว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเพลิดเพลินแก่เจ็บตายดับได้ทุกอย่างต้องดับที่จิตก่อน ถ้าจิตเราเนี่ยพ้นจากอารมณ์ของโลกเมื่อไหร่คนนั้นจำไว้เลยว่าชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายย่อมแน่นอนเพราะจิตไม่มีการเชื่อไปของการไปจิตแล้วเพราะหมดความอยากคนนั้นก็ถอดถอนอุปทานออกจากโลกคนไหนจะพยากรณ์ตัวเองได้เนี่ยต้องดูที่จิตขนาดนั้นนะว่าจิตเราเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไปนี้เลยจงรู้เถิดว่าชาติทัานจะเป็นชาติสุดท้าย เพราะจิตมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เที่ยวแล้วมันหมดอยากหมดความเป็นเป็นผู้อยากจะไปเรียกหมดเชื้อเนี่ยก็เป็นนั้นว่าคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้าย เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยชื่อว่าอเยตนะทั้งหมดก็คุกครอบงำคนนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีการไปการมาของจิตแน่นอนแล้วก็มาตรฐานเดียวเท่านั้นคือมาตรฐานที่เขาบอกว่ายากยากที่สุดเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโล ก, กุตรธรรมซึ่งจะเป็นธรรมที่ไม่มีการเสื่อมเลยตลอดถึงร้อยปีของชีวิตก็จะไม่มีการเสื่อมสลาย สมาธินั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นปกติทุกเวลาทุกนาทีจะมีแต่สมาธิความดึงเดียวเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้แม้แต่ว่าตาลืมๆหูมีอยู่ก็ตามทีเถิดความเป็นสมาธินั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่คือความอัศจรรย์นะนี่แหละเขาเรียกว่าโลกุตระสมาธิ <c oughs> เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็เป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอากุศละธรรมทั้งหลายไม่มีแล้วกามก็ไม่มีอกุศนลธรรมทั้งหลายก็ไม่มี <c oughs> เป็นผู้สงบระงับหมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เหลือการพิจารณาร่างกายนี้ก็จบลงตรงนั้นแต่การเดินทางยังมีต่ออีกนะเพราะตรงนี้เนี่ยคือพระนารามี พระนราคามีนี่ดับสนิทหมดเลยแล้วก็จะต้องทำต่อไปก็คือพิจารณากายนี้จบตรงที่พระนราคามีไม่ไม่ได้ไปกว่านั้นแล้วการพิจารณากายเขาจบตรงตัวนั้นต่อนี้ไปก็คือพิจารณาทางจิตจิตก็คือว่าเราจะต้องทำสมาธิชานขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เพราะว่าตอนที่เราทำมาแต่ต้นน่ะชาญเหมือนกันแต่ทำไปไม่รอดาเช่นว่าเข้าสมาธินิ่งออกมาวิ่งอีกแล้วนั่นมันเป็นชาญโลกีทำแล้วไม่รอดก็เลยหันเหมาถังกำจัดความยินดีในตัวเองเพราะว่าเรา เ, เราพิจารณาแล้วนี่ว่าคืนทำสมาธินี่ต่อไปคงไม่รอด เพราะว่าจิตออกมาแล้วมันไปอีกเพราะไปเพราะความอยากตอนนี้เราต้องมาทํำลายความอยากนั้นเสียปรากฏว่าทํำลายได้แล้วก็เลยเมื่อทํำลายได้แล้วก็ปุ๊บเนี่ยก็เลยว่าว่างงานก็เลยหยิบสมาธิที่บอกว่าทําที่แรกนั้นมาทําใหม่ทําที่แรกนั้นเป็นสมาธิโลกีเขาเรียกว่าฌานโลกีแล้วก็เอาฌานโลกีนั้นเนี่มาทําใหม่แต่ไปพื้นฐานของการทําลายความยินเขาเรียกว่า ทำลายความอยากแล้วความความพิจารณาตัวเองที่ว่าทำลายความยิน ด, ดีในตัวเองแล้วนี่ลายความอยากจิตหมดอยากไดนะ้แต่เอาชาญเดิมนั้นมาทำชานนั้น เ, เมื่อพื้นฐานของการทำนี้เป็นโลกุตระรมแล้วชาญที่จะมาทำใหม่นี้ก็กลายเป็นชาลโลกุตระไปในตัวมันเองทั้งที่ชาญเดิมนั้นนะแต่ครั้งแรกทำเนี่ยมันยังไม่ไ้ม่ได้เขาเรียกว่ายังยังไม่ได้ทำลายความอยาก แต่เมื่อทำลายความอยากได้แล้วเอามาทำใหม่เนี่ยทำลายความอยากด้วยด้วยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นโล ก, กุตระแต่เมื่อมาทำใหม่นั้นฌานนั้นก็กลายเป็นฌานโล ก, กุตระตามไปด้วยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตไม่ได้เข้าสมาธิเลยก็ยังเป็นพวจิตที่ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาได้ถ้าเข้าสมาธิล่ะโอ้โหมหาสาลเลยสงบนี้ไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ายังไม่เข้าสมาธิ มวแต่พิจารณาร่างกายอย่างเดียวจิตก็เลิกกลากับโลกแล้วเวลาทําสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนนี่เราจะทําสมาธิทีเนี่ยอ า, อารมณ์เราดึงแข่งดึงขาเราใช่ไหมจะเข้าไม่ได้มันดึงนนดึงนี่เ ย, นนเยอะนนเยอะนี่เราเข้าไม่ได้เลยในที่สุดถูกดึงออกมาหมดเลยบัดนี้นไอสิ่งที่ดึงดึงทั้งหมดมันไม่มีแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าประตูนะั้นเปิดรอเราดูเชิญเข้ามาสิ เหมือนกับว่ารอการเข้าของเราอยู่ฉะนั้นเวลาทําตรงนี้เนี่ยทําฌานไม่ยากเลยไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันไม่มีไม่มีขวางเลยไม่มีดึงเลยขนาดไม่ทํายังไม่รั่วเลยถ้าทําเลยมันจะไม่สงบเฉยเลยทําทําสมาธิฌานที่แรกมันยากยากเพราะอารมณ์มันดึงอารมณ์มันยื้อแย่งเราไม่ให้เข้าตอนนี้เนี่ยทำง่ายง่าย ถาไม่เอาของง่ายนี่เลยใครบอกได้อยากได้ฌานก็มาเอาตรงนี้สิยากเอาทําไมแล้วก็ไม่ดีด้วยแล้วมาทําตรงนี้เนี่ยง่ายหมดเลยไม่ยากเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันไม่มีเพียงไปพิกจิตเรื่องนั่นเองไปทางฌานเพราะว่าฌานเนี่ยเราก็ทํามาบ้างแล้วทําไมไม่รู้ร่องรอยนั้นเสียหรอือร่องรอยนั้นก็มองเห็นอยู่เพียงแต่เราไม่ได้เข้าไป บัดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิสุที่สงบแล้วจากกามสงบแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะทําก็เอาฌานมาทําฉะนั้นสัมมาส ม, มาธิเนี่ยที่บอกว่าถ้าจะดูสมาธิต้องดูฌานฌานทั้งสี่บัดนี้จะทำฐานฌานทั้งสี่ที่เกิดขึ้นถ้าดูสติก็ดูสติประธานสีถ้าจะดูความเพียรก็ดูส ม, มประทานสี ถ้าจะดูที่ปัญญาก็อริยสัจสีบัดนี้เหลือสมาธิคือฌานทั้งสี่ก็มาทำเสีสิเพราะทั้งอื่นจบหมดแล้วสติประธานสีก็จบสมาธิประธานสีก็จบปัญญาอริยสัจสีก็จบแล้วเหลือแต่ฌานเท่านั้นเองทำเทำ่านั้นทที่แรกไม่รอดก็ไม่เป็นไรวางไว้ก่อน แต่มาทำตอนหลังเนี่ยรอดแน่นอนแล้วก็เป็นฌานที่ดีมากและทำไม่ยากพิสูจน์นั้นสังัดจจากกรรมสงัดจากอาโกโซลและทำทั้งหลายยังปฐมฌานาให้เกิดตรงฌานตรงนี้เองเรานึกได้ไหมว่าคุนเจ้าที่วันที่ท่านตัดสลูเนี่ยท่านนึกถึงตอนที่เป็นราชกุมารแล้วก็ทำอนาปานสติตอนที่ใต้ต้นว่าแล้วท่าน จำตรงนั้นแล้วก็มาทําตรงนี้เองเราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าปเปรียนอลารัดาวดบก็เหมือนทำํำทำสมาธิฌานครั้งแรกทําแล้วก็ออกมาก็วิ่งอีกอันนั้นเหมือนฌานอลาราดาวดบทุ ก, กดาวดบทหรือฌานตอนที่ใต้ตนว่าสมัยเป็นราชกุมารทําแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าความอยากมันไม่สิน้นออกมาก็จิตก็วิ่งไปอีกแล้วก็เลยว่าทางนี้ไม่ใช่ทางมาสังเกตไหม เหมือนกับเราเนี่ยทำที่แรกทําฌานก่อนแต่มันไปไม่รอดก็เลยมาพิจารณาร่างกายอันนี้พิจารณาร่างกายแล้วนี่ก็เหมือนพระเจ้าเนี่ยทิ้งฌานอาราธนบทนั้นมาทําพิจารณานี้ก่อนให้เห็นแจ้งก่อนก็คืออบรมมครคนี่เองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอบรมจนถึงพระอนาคามีก็เหมือนดังที่อธิบายมานี้แหละจึงหวนกลับฌานทำเอาเอาฌานนั้นมาทำอีกรอบหนึ่งก็ตรงกับว่าวันที่ท่านตัดสูุก็คือวันเพ็ญเดือนห เราก็ได้ไปอ่านว่าท่านจะทํำยังปฐมฌานให้เกิดท่านจะนึกถึงว่าตอนที่ท่านาเป็นราชกุ ม, มารตอนแรกนาขวัญว่าได้ทําสมาธิแบบนี้ขึ้นมาก็เลยเอานั้นมาทําอีกก็เลยว่าทําให้เกิดอีกครั้งหนึ่งก็คือฌานเดิมนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยความอยากมันสิ้นแล้วนะี่ยมันก็เลยเป็นโลกุตระหมดแล้วแล้วก็ทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็กลายเป็นว่าเตรียมพร้อมที่จะตัดสู่เลยก็คือรทมตัวเดียวบรรลุไปเลย <c oughs> แล้วก็ทําไม่ยากอย่างที่บอกว่าทําไม่ยากเพราะว่าอารมณ์มันไม่มีเ <c oughs> มื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ก็เขาเรียกว่าทําขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าพิสุ <c oughs> สังัดแล้วจากกราสังัาจแล้วจากอากุศลและธรรมทั้งหลายก็กามก็หมดแล้วนี่อกุศลก็หมดแล้ว ก็ยังปฐมฌานให้เกิดทตูติฏฐฌานตติจัตฌานจนถึงจตุธาฌาน <c oughs> แต่ส่วนมากเขาจะ ท, ทําแค่จตุธาฌานนะอ่าก็ทําให้จำนิ้จำหนานเพราะมันเป็นรูปฌานส่วนอรูปฌานนั้น ท, ทําทีหลังก็ได้หรือจะทําต่อก็ได้ตรงนี้ทํารวดเดียวก็ได้หรือจะทําแค่จตุธาฌานก็ได้อยู่ที่ความพอใจ อ่าอันนี้ก็คือว่าส่วนมากแล้วก็คือทำได้รูปประชานพอเพ <c oughs> ียงพอต่อการทำแล้ว <c oughs> ชวนอรูปประชานนั้นไปทาทีหลังไม่ยากเป็นเสริมไปก็ไม่ยากเ <c oughs> มื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยังพิสุสงัดจักกามส ง, งัดจา ก, ากอากุศลธรรมยังปฐมประมมาชานให้เกิดก็เท่ากับมักข้อที่แดซึ่งเราอบรมน <c oughs> หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยก็คือ เอ่อหนึ่งเจ็จะเป็นพระนาาักธมีเพราะในข้อเจก็คือสติประธานสี่ข้อที่หก็คือสมบัตประธานสี่นั่นเองก็คือว่าอ่าข้อที่หนึ่งก็คืออริยสัจสี่นั่นเองแสดงว่าเราทํามาหลายข้อแล้วข้อที่หนึ่งคืออริยสัจสี่ความเห็นชอบข้อที่หก็คือสมบัตประธานสี่ข้อที่เจ็ก็คือสติประธานสี่อย่างอธิบายมาแล้วก็สมบูรณ์หมดแล้ว อมรบมารสุบุลหมดแล้วสติไม่มีการเผลอแล้วเมื่อไปดัง น, น, น, นั้นแล้วเนี่ยก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจนถึงจตุตฌานเมื่อทำอย่างชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางลักษณะของวิชาสามก็คือว่าร่างร่างกายนี้เนี่ยเราได้มาจากบิดามารดามาชาตินี้เนี่ยเราเห็นแจ้งแล้วเราเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้ว แต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติน่ะเรามีร่างกายที่ไหนบ้างมีภบชาติอะไรบ้างเราก็ฝากความรู้สึกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานไปในใจเรานั่ น, นสิ่งนั้นก็จะเปิดให้แก่เราเห็นว่าเราเกิดเราตายมากี่ภพกี่ชาติก็จะเห็นด้วยตาเนตาใ น, นตาทิพนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาทิพนทิพยไปจากขูก็เกิดขึ้น ก็สามารถที่จะเห็นระลึกชาติได้ระลึกชาติตัวเองได้มากมายก่ายของกาตามที่เขาเรียกว่าตามบุญญาวัฒนาที่ทำมาสามารถที่จะระลึกชาติได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตามกําลังของสมาธิตามสติปัญญาตามบรารมีที่สร้างสมอันนี้ก็จะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายเกิดฉลดสังเวชพระโอเราเกิดเราตายเพราะไม่ได้เห็นตัวเองนี่เอง ไม่ได้เห็นตัวเองแล้วก็ยึดมั่นตัวเองเป็นตัวตนนี่เองทุกภพทุกชาติแม้แต่ชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เรามาแก้ชาตินี้ได้ก็เกิดการเห็นความซ้ำซากของกิเลส ท, ที่เกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยเพราะเหตุผลเดียวกันเพราะการไม่ได้ฟังธรรมหรือการไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเราถึงได้หล่นมาถึงชาตินั้นชาตินี้แล้วชาตินี้เราก็สามารถที่จะทําให้แจ้งให้มีก็เกิดการเบื่อนหน่ายพบชาติเหล่านั้นว่า เป็นที่น่าสลดสังเวชใจอย่างยิ่งว่าเราเกิดเราตายล้วนแล้วแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเพราะความเล่นเล่อเพราะความปฏิบัติผิดผิดทุกๆทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุกแดนแท้จริงแต่บัดนี้ทุกอย่างขี้ขายแล้วก็เห็นแล้วก็สลดสังเวชแล้วก็น้อมจิตเป็นลักษณะเห็นผู้อื่นได้ไหมว่าผู้อื่นเกิดเกิดตายตายเหมือนดังเราไหมก็เห็นด้วยตาทิพนั่นเองผู้อื่นก็เหมือนดังเรา สามารถจะเห็นพวกชาติตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างตามนั้นเห็นตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นเขาเรียกว่าจัตูปาจญาณแล้วเห็นทั้งสองว่าเป็นของเหมือนกักนเองเหมือนกับเราเราก็เหมือนเขาก็เกิดการสลดสังเวชว่าทุกอย่างนี้โลกนี้เป็นของปกปิดเราปัจนี้เรารู้แจ้งแล้ว ตามคําสอนพุทธเจ้าไปคนนั้นก็จะสังเวชใจแล้วก็หมดอาสวะในที่สุดหมดอาสวะก็คือจบเลยว่าตอนนี้ไปเลิกกันดีโลกนี้เราจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรอีกแล้วเป็นอันว่าทุกอย่างจบสิ้นลงไปเขาเรียกว่าหมดอาสวะแล้วฌานที่มีอยู่ทั้งหมดที่ทําขึ้นมานี้เป็นแค่สักเทว่าฌาน หาตัวตนบุคคลเราเขาไม่ในที่นั้นก็ไม่มีร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมมาเราก็เบื่อหน่ายแล้วแม้แต่ชานที่เราทํามานี้ก็เป็นของโลกนี้ไม่ใช่ของเราทํามาเราเห็นแจ้งแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายในชานนั้นว่าชานนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นศักแตรีวาชาานไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่เราจะมายึดปั้นว่า ชานนี้เป็นของเราทะเพื่อให้รู้เห็นสติก็ดีปัญญาก็ดีสมาธิก็ดีชานนี้ก็ดีทั้งหมดล้วนแล้วแต่นั่นไม่ใช่เราเราจะเห็นไหมว่าในสติปัฏฐานสูตรบอกว่าพิจนากายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตัวตัวเราเขาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั่นก็ไม่ใช่ของเรา แม้แต่ทำในธรรมก็ไม่ใช่ของเราจิตในจิตก็ไม่ใช่ของเราสมาธิในสมาธิก็ไม่ใช่ของเราทำเพื่อให้ขี้ขายว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเป็นเครื่องมือเท่านั้นเหมือนกับบุคคลชาวนาที่ทำนาแล้ววางแอกและไถเอาแต่ข้าวไปแอกไถก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำนาเกิดขึ้นแต่ก็วางแอกและไถเสียเอาข้าวไปบริโภคเท่านั้น เหมือนกันว่าสติปัญญาความเพียรฌานสมาธิอะไรก็แล้วแต่วางไม่หมดเลยนั่นไม่ใช่เราเป็นอุปกรณ์ที่เรามาขี่ขายปัญหานี้เท่านั้นแล้วก็เอานิพพานไปนิพพานคือความไม่มีอะไรความเข้าใจที่ถูกต้องความไม่มีอะไรจะเป็นอะไรความเข้าใจถูกต้องนั่นเองคือ น, นิพพานไม่เอาไปทักอย่างสติปัญญาทุกอย่างไม่เอาไปเลย แม้แต่ชานก็ทิ้งไว้ที่เดิมนั่นเนี่ยทาขึ้นมาก็ทิ้งไว้ที่เดิมฉะนั้นเวลาเข้านิพพานจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ชานนั้นก็เป็นของที่ทําให้เพื่อระลึกชาติได้เท่านั้นเองทําเพื่ออาศัยให้เป็นสุขเท่านั้นเองถ้าติดในชานนั้นว่าโอ้ชานนี้เป็นของสุขนะเราจะต้องเข้าชานตายในตอนเมื่อเราตายคนนั้นจะเป็นรูปประพบทันทีเลย เขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนจะเกิดทันทีเล้ว่็รูปราคะอารูปราคะรูปราคะไปว่ายินดีในรูปประชานอรูปราคะไปว่ายินดีในอารูปประชานเกิดขึ้นทันทีเลยไม่ได้เราจะเห็นว่ายึดไม่ได้เป็นสังโยชน์เบื้องบนทันทีจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ฌานจะไม่เข้าฌานตายเลย พ้ชาญเป็นของยืมมาเหมือนกันเหมือนกันร่างกายนี้เหมือนกันเป็นของยืมมา <c oughs> อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งทุกอย่างก็จะจบลงณที่นั้นอันนี้คนนั้นก็บริบูรณ์ทุกอย่างครอบงามทุกอย่างก็ถึงข่าวจบสิ้นของการบำเพ็ญคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นไปดยชอบ เข้าใจไหมวันนี้ก็จบแล้วเนา ะ, ะถึงตรงนี้ก็จบแล้วไม่รู้จะจบยังไงแล้วก็จบตรงที่ว่าหลุดพ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยของแถมที่กระดามมาก็เรียกว่าอภิญญาหกวิโมก8แปดปฏิสัมพิทาส <c oughs> ี่เขาเรียกว่าเป็นคุณพิเศษก็จะตามมาอีกแต่ทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกหมดเลยไม่เอาไปไปแต่ความเข้าใจเท่านั้นเอง ความรู้ความเข้าใจทิ้งไว้หมดเขาเรียกว่าทุกอย่างนี้เป็นของใช้หมดเลยไม่ได้ออกไปทั้งสิ้นอันนั้นแหละเขาเรียกว่าความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เราสามารถที่จะรู้แจ้งโลกนั้นเขาเรียกว่าโลกวิถูนก็คือรู้แจ้งตามภาษาสดาไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าสามารถที่จะทาให้เกิดให้มีแก่เราได้ในที่สุดก็คือ จุดสูงสุดของศาสนานี้ก็คือพระนิพพานน <c oughs> วันนี้ก็มาแสดงธรรมมาถึงสุดท้ายนะก็ให้เห็นว่าได้ให้หัวข้อว่าผัสสะยตนาะแล้วก็อภิพาญาตนาะผัสสะยตนาะหมายถึงการสัมผัสของอิจตนาะแล้วก็อภิพาญาตนาะก็หมายถึงการที่มีอํานาจเหนือ อายตนะอนันต์นนนได้สามารถจะครอบงําได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้แหละถึงจะเป็นผู้ครอบงำอายตนะอนันต์นได้ก็ชื่อว่าหัวข้อทั้งหัวข้อนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะอธิบายเรื่องอายตนะผัสชายตนะและอภิภายตนะก็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วก็แสดงมาถึงชุดท้ายของค่ําคืนวันนี้ ก็เหลืออีกห้านาทีนะก็จะตีะระฆังแล้วนจบเข้าใจไหมเข้าใจหมดเลยแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจแต่ทำไม่ได้ดูมันง่ายเหลือเกินเนาะแต่ไปทำในหัวชนฝาเลยหลายรอบลองให้หลายยกฝังมันลื่นเหลือเกินนะ ถามหนูแข็งโป๊กก็พูดง่ายไว้ก่อนสิใช่ไหมล่ะพูดยากใครจะทำล่ะขนาดพูดง่ายยังไม่ก็จะทำเลยทำจริงๆยากจริงๆนะยอมรับนะยากมากๆคือยากล่ะแต่ก็อยู่ในวิสัยทำได้นะก็ให้มนุษย์นี่แหละทำยอมรับเลยว่ายากคิดอยู่เหมือนกันว่าสอนเนี่ยใครจะรู้ได้เนาะ มันไม่ได้รู้ตอนที่เราเราอธิบายอย่างเดียวมันต้องไปทำนะแล้วทำได้เนี่ยตมาจะไม่กลัวเลยว่าใครถ้าทำแล้วนี่จะไม่มีผลดังว่านี่ไม่กลัวมาคุยได้เลยนับประกันอ่าทาทาถ้าทำเนี่ยเป็นผลแบบนี้แน่ๆน่แน่นอนแต่ทีนี้ว่าใครเราจะทำมีความสามารถนี่คือความท้าทายนะว่า คนเรามนุษย์เราเนี่ยใครจะมีความสามารถได้เรานอกจากคนนั้นอึดจริงๆสู้จริงๆก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นได้ซึ่งเป็นความท้าทายของกําลังของสติปัญญาด้วยทั้งกําลังกายทั้งกําลังใจทั้งกําลังสติปัญญาทั้งหมดทุ่มเทหมดเลยถ้าไม่มีปัญญาสิ่างไม่ได้เลยสู้เขาไม่ได้กิเลสไม่ได้งโง่นะเขาฉลาดมาก ฉลาดไม่ฉลาดหลอกคนอย่างเราได้อะเราบอกว่าเราฉลาดไม่ใช่เลยยังอยู่ใต้อำนาจของเขาอยู่เลยฉลาดอย่างเราจะทำอะไรได้เราดังนั้นความฉลาดของธรรมชาตินี้สุดยอดนะฉะนนลาดมากนะซึ่งเป็นความฉลาดที่แหลมคมมากที่เราไม่สามารถที่จะชนะได้โดยง่ายดยการกระทําังั้นการกระทำของเรานี่เองจะเป็นเครื่องวัดของคนเรา ที่จะเข้าไปสู่การชนะสงครามอันนี้ะฉะนั้นตมาแสดงธรรมตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้รู้เห็นว่าการที่จะพาคนไปต้องเขาเรียกว่าต้องแน่นอนต้องแน่นอนมากว่าทําไปแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดไม่งั้นจะพาคนไปผิดผิดนั่นคือความหายนณะรับรองได้ว่าตมาไม่พาผิดแน่นอน ขอพิสูจน์ดูอย่างเดียวคําพูดคํานี้นะขอให้พิสูจน์นะเพราะว่าความจริงทั้งหมดจะต้องถูกพิสูจน์ขึ้นมาโดยการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่เชื่อแน่ว่าทางเส้นนี้เนี่ยผ่านจากการพิสูจน์จากคนอื่นมาแล้วกานกองมาแล้วนั่นเองว่าจะต้องชนะแน่งานนี้ เราจะต้องชนะได้แน่ฉะนั้นที่นํามาสอนนี้คือมั่นใจว่าถ้าใครปฏิบัติแล้วผลต้องตามนี้แน่นอนถ้าใครจะบอกว่าผิดถูกช่างเถอะขอให้ผลนี้ได้อย่างนี้ก็พอใจแล้วคนที่ถูกนะ่ะได้ผลดีกว่านี้ไหมล่ะที่บอกว่าถูกเอาผลมามาม า, ม า, ม, า, ม, ามาเทียบกันสิคนที่ถูกนะ่ะทําได้ไหมจิตที่ไม่มีอะไรในโลกนี้เลย ตลอดเวลาเลยนะตลอดชีวิตด้วยนะ24ชั่วโมงนี้ไม่มีแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่มีนะต้องทําขนาดนั้น น, นนะรั่วไม่มีเลยอะ่ะได้อย่างนั้นไหมล่ะแต่อย่างนี้นะ่ะได้แน่นอนฉะนั้นใครๆไม่สามารถที่จะให้จิตนี้ไม่รั่วเลยเนี่ยยากมากๆคือทําได้แต่ต้องทําให้ถูกเท่านั้ น, นก็คือว่า ทำถูกเท่านั้นแหละถึงจะเป็นได้ถ้าทำผิดไม่ได้แน่นอนดังนั้นใครๆจะให้จิตเราเนี่ยไม่เผลอเลยคือเผลอจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยเพราะว่าสตินั้นเป็นสติปรารณสีถึงได้อบอกว่าสติเนี่ยถ้าเป็นสติปรารณสีไม่มีคําว่าเผลอจะเป็นอัตโนมัติหมดดังนั้นความเป็นสติไม่ต้องตั้งมันจะเดินเครื่องของมันเองเลยเพราะทำมามากพอ จเจริญจนเป็นความชำนาญชำนาญจนที่ว่าจิตนั้นเดินเครื่องเองเลยเราไม่ต้องกำหนดหเขาจะกำหนดของเขาเองโดยอัตโนมัติเพรา ะ, จะเจริญมามากพอเราทำขนาดไหนทำจนที่มันเป็นอัตโนมัติลองถามลองคิดดูสิว่าทำขนาดไหนจากนั้นการกระทาตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นการกระาทาที่มหาสารเลยเรียก่เรียกว่ามหาสาร จะว่าสติก็คือสติปัฏฐานสี่จะว่าสมมตปัฏานแปลว่าคำเพียงก็คือสมมตปัฏฐานสี่จะว่าปัญญาก็คืออริยสัจสี่เจ้ว่าฌานก็คือฌานทั้งสี่ทุกอย่างบริบูรณ์หมดเลยนะบริบูรณ์หมดมันถึงได้มีความเขาเรียกว่าความเข้มข้นความความแข็งแกร่งความที่จะทุกอย่างจะให้อยู่ในอำนาจ อัศจรัน์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทุกข์อะไรกับเรื่องโลกนี่เร า, าทุกข์ด้านจิตใจจะไม่มีเลยแต่เหลือแต่ว่าทุกข์เหลือร่างกายเท่านั้นที่มีจําเจ็บป่วยเจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไปตามสภาวะของร่างกายนี้เท่านั้นเองอันนั้นมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเราได้มามันเป็นของเหลืออยู่แต่ด้านจิตใจนี่ดับหมดเลยดับสนิทไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการอะไรทั้งสิ้นจิตใจดูนั้นดับเย็น แล้วดับอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ผลของอันนี้เนี่ยจะเป็นผลที่ยั่งยืนอยู่อย่างนั้นจนถึงวันตายคือวันสุดท้ายก็อาศ จ, จะนะว่าจิตคนเราเนี้โอ้ฝึกได้อย่างที่บอกว่าความเห็นของคนสมัยโบราณเครียกว่าอุดเฉดทิฏฐิแล้วก็สัตตาทิฏฐิแต่พุทธองค์เนี่ยทรงว่าทางทั้งสองสายไม่ไม่ควรไปทรงเดินทางาเดินทางไปทางสายกลาง ก็คือมักมีองแปดอย่างที่เกิดมาแต่ต้นหลายกาศก็คือการฝึกฝนตนนี้เองก็คือคือมักมีองแปดนั่นเองอ่าตีละครังแน่นอนเนะาะตรงเป๊ะเลยอันนี้ก็ไปกินนักกะเสริมท้ายนิดนิดหน่อยหน่นเวลาที่เหลืออยู่ก็คิดว่าวันนี้ก็คงจบการแสดงธรรมเพียงเท่านี้เนาะ ขอให้ความขอให้ทุกคนสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคมสอนผู้เจ้าทุกคนทุกท่านเถิดยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยาฐามนิโชติละโสยัถาสพีิติโยวิวัตสันตุ สัพพโลโควินาจันตุมาเตภวัตนรรลาโยสุขีธีคายุโกขภขะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัด ต, ตาโรโอธรรมวัตทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังพวันตุสัพพมังขลังหลักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะ สภะสังขานุภาเวนะสทาโสถีปะวันตูเตมเน ะ, ะก็อาบล้างหน้าล้างตานะเข้าห้องน้าห้องท่ายืดเส้นยืดสายนะแล้วมาทำวัดสวดมนต์กันต่อนะฟังทำแล้วเหมือนก็บรรลุเลยเนาะ ลุกเดินขึ้นมาอ้าวกิเลสยังเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ย <c oughs> นึกว่าฟังแล้วบรรลุเลยออตื่นรู้ตัวก็มาอ้าวเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรสักอย่างพ่องไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมาวัดนานแล้วเรยฮะจะอยู่ไหน่าอ่าแจ้ง เจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้อีกขังสมยังบาก